เปังไงสบายดีสบายดีครับนั่ <c oughs> งฝึกนั่งสมาธิดู ย, ยังนั่งได้ไหมไม่คอยได้ครับไม่ค่อยไ ด, ไยได้นั่งดูหนังไ ด, <c oughs> งด้นั่งดูหนังได้นั่งสมาธิไม่ได้ <c oughs> ก็นั่งในก็ท่ นั่งก็ไี้แบบดูหนังไปก่อนก็ได้นั่งสบายสบายแล้วก็หลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปของนี่มันต้องบังคับนถ้าแบงคับมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ทำบาบงคับไปต่อไปมันก็จะง่ายใหม่ๆ ม, มันยากเพราะมันไม่เคยทำเหมือนเราเคยใช้มือขวาอยู่ตลอดนี่เราไม่เคยใช้มือซ้ายกัน ถ้าเราไม่บังคับใช้มั น, มนไม่ใช้ต้องให้มือขอามันเสียมขวามันเจ็บใช้ไม่ได้ทีนี้มันก็ต้องหัดใช้มือซ้ายใช้ไปเรื่อยๆมันก็ถนัดซ้ายได้ทำไมนคนที่เขาถนัดซ้ายเขาใช้มือซ้ายได้เราถนัดเราถนัดคิดเราไม่ถนัดไม่คิดเราชอบคิดเราไม่ชอบนั่งเฉย เราชอบเราต้องมีอะไรให้ดูให้เล่นไม <c oughs> ่นั่งเฉยๆแล้วไม่ดูไม่เล่นมันอึดอัด <c oughs> มันต่อต้านจิตมันต่อต้านกิเลสมันต่อต้าน <c oughs> มันจะทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดไม่อยากนั่งอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวที่เราต้องต่อสู้ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวความอึดอัดมันเป็นมันไม่มีอะไรมันมันหลอกเราเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปนั่งแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นเองให้รู้ว่าหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปจับลมก็ได้เพียงแต่ให้รู้ว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหายใจออกเอแล้วก็รู้ไปอย่างนี้ อย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทําได้ไม่นานเดี๋ยวมันลืมมันลืมก็มันจะหายอึดอัดมันจะนั่งต่อไปได้สบายอหม่ๆมันก็อย่างนี้ไม่มันไม่ถนัดไม่ชินมันลองใช้มือที่เราไม่ถนัดด้วนเดี๋ยวมือเย็นนี่ลองเปลี่ยนมือกินข้าวดูแต่ถ้าบังคับมันเดี๋ยวมันก็กินจนได้หรอะอ่ ใหม่ๆมันอาจจะไม่ชินไม่ถนัดเพราะมันหัดไปหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินกันมาเองนั่งเฉยๆดูลงนี่มันก็เราก็ไม่ถนัดเราไม่ชอบไม่ชอบเพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราชอบไปหลายเรื่องคิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดเรื่องนู้นต่อต่อเรื่นู้นเรื่อ ง, งนี้คิดไปอยู่เรื่อยๆอ แล้วถนัดแบบนี้แล้วถนัดคิดเราไม่ถนัดหยุดคิดกันอันนี้เราจะมาลองมาฝึกหัดหยุดคิดกันพอหยุดคิดแล้วมันทําให้สบายใจใจหยุดคิดแล้วใจจะเบาจะเย็นจะสุขจะไม่วุ่นวายไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่เดือดร้อนไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นก็ไม่เดือดร้อน ไม่ได้อะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจอิ่มเหมือนใจได้รับประทานอาหารทุกวันนี้เราไม่เคยให้อาหารใจเลยเราให้แต่อาหารร่างกายทุกครั้งที่ใจหิวก็ไปให้ร่างกายทั้งที่ร่างกายมันบอกพอแล้วน้ำหนักเกินแล้วก็ยังไปให้มันอยู่นั่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ที่หิวนั้นไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่หิวคือใจแล้วเราไม่รู้อาหารของใจคืออะไรเราก็เลยไม่เคยให้อาหารใจใจมันก็เลยหิวไปอยู่เรื่อยๆนอกจากหิวทางร่างกายแล้วยังหิวทางตาหูจมูกอีกยข้าวของเต็มบ้านไปหมดเนี่ยอามาทําไมใจมันหิวเพอมันหิวมันเห็นอรมันชอบมันก็อยากได้ขึ้นมา คิดว่าได้แล้วจะมีความสุขเนะียก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่จ่ายเงินนะได้ของมาแล้วพอมาไว้ที่บ้านแล้วก็หายละความสุขแล้วก็อยากได้ของใหม่กันใหม่ของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ให้ความสุขกับเราแล้วใช่ไหมดูยังไงมันก็ไม่มีความสุขเหมือนกับของที่อยู่ในร้านเนะี่ยของที่ในร้านดูยังไงก็สุขนะี่ครับ แทนที่เราจะให้อาหารใจเรากลับไปให้อาหารทางร่างกายทางตาหูจมูกดิ้นกายร่างกายก็เลยอ้วนกันข้าวของก็เต็มบ้านไปหมดแต่ความสุขใจยังหาไม่เจอยังไม่อิ่มยังไม่พ อ, อเพราะใจไม่เคยได้อาหารเลยพอเราไม่รู้ว่าใจคือผู้หิวเราไปคิดว่าร่างกายเป็นผู้หิวเราก็เลยทํา ตามที่ร่างกายหิวเวลาหิวเราก็คิดว่าร่างกายหิวก็เอาขนม ม, นนาขามาให้มันกินเอาข้าวมาให้มันกินเอาเครื่องดื่มมาให้มันดื่มพอมันดืมปบมัน ก, มนก็มันก็หายหิวชั่วคราวใจหายหิวชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็หิวขึ้นมาใหม่เพราะมันไม่ได้เป็นอาหารแท้ของใจถ้าจะเรียกว่าเป็นเหมือนอาหารว่างก็ได้ อาหารพอให้หายหิวเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาอีกถ้าลองมาให้อาหารของใจจริงๆดูให้ความสงบดูแล้วใจพอสงบใจนิกแล้วจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาเลยจะไม่หิวกับรูปเสียงเกียรตรถจะไม่หิวกับขนมนมเ น, มนอยอาหารอะไรต่างๆไม่หิวกับสิ่งของนั้นสิ่งของนี้อ ไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญเพราะมันมันมันอิ่มแล้วก็มันมันให้ความสุขมากกว่ามันจะเลยมันจะเห็นความแตกต่างของความสุขที่เราได้รับจากความสงบกับความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเหมือนฟ้ากับดินะ สิ่งต่างๆเราได้มามันก็สุขแบบสุขแป๊บเดียวแล้วก็ทำแล้วก็หิวขึ้นมาใหม่แล้วก็อยากขึ้นมาใหม่ได้มาเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้เพิ่มเลมันไม่พอมันไม่มันอิ่มแบบไม่พอมันสุขแบบไม่พอมันสุขแบบหิวอยู่เรื่อยๆถ้าเราไปหาของภายนอกมาให้ใจให้เท่าไหร่มันก็ไม่พอ แต่ถ้าเรามาให้มา <c oughs> ทำใจให้สงบได้ใจจะไม่หิวใจจะอิ่มใจจะพอลองทำดูเราไม่เคยทำมันก็เลยรู้สึกว่ายากแต่ความจริงมันง่ายจะตายม่ง่ายกว่าการไปหาเงินไปหาอะไรต่างๆทีกนั่งเฉยๆมันจะยากตรงไหนถามเอยถามจริงๆ ไปหาเงินนี่มันเหนื่อยไหมกว่าจะได้เงินมาสักก้อนเนี่ยไปซื้ออะไรไปอะไรมันเหนื่อยไปซื้อบ้านสักหลังเนี่กว่าจะได้มาเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องไปจองต้องไปจ่ายเงินอะไรต่างๆหรือถ้าบ้านสําเร็จแล้วก็ต้องไปโอนเงินโอนอะไรกันโอนเสร็จแล้วก็ยังต้องมาซ่อมมาแต่งบ้านอีกโอยกว่าจะได้บ้านอยู่สักหลังเนี่ยเหนื่อยไหย แล้วพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ย่างอื่นนะลองนั่งดูสินั่งเฉยๆมันง่ายจะตายเลยนั่งแล้วแล้วก็ให้มีอะไรกำกับใจควบคุมใจผูกใจไว้เหมือนสมอเรือเรือนี้ถ้าไม่ทอดสมอมันจะไหลมันจะไหลไปตามกระแสน้ำถ้าอยากให้เรือนิ่งเขา้าเขาก็จะทอดสมอเรือกัน ถ้าเทียบท่าเขาก็ต้องมีอะไรผูกเรือมีเชือกผูกเรือไว้กับท่าเรือน้ำที่ไหลมันก็จะได้ไม่ไหลมันจะได้ไม่พาให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำ <c oughs> ใจเราไม่มีสมอกันไม่ได้ทอดสมอกันใจเราไหลไปตามกระแสความคิดคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนน้นคิดอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวเห็นอะไรก็คิดได้ยินอะไรก็คิดคิดแล้วก็ไปทําตามความคิดพอคิดพอเห็นอะไรแล้วมันก็อยากอยากได้อยากได้ก็ต้องไปไปเอาสิ่งที่เราอยากได้ชีวิตเราก็มีแต่คิดคิดหาคิดทำคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่เคยเจอความอิ่มความพอ มีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะความอิ่มความพอมันอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การทำใจให้นิ่งเราต้องหัดทอดสมเรือกันต้องมีอะไรผูกเรือผูกใจไว้มีพุโทโธพุโทโธผูกใจก็ได้มีลมหายใจเข้าออกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเราจะใช้ลมหายใจนี่จะเหมาะช่อนที่เรานั่งเฉย เพราะเราจะสามารถเห็นหลมได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งเฉยๆเราไปทำนู่นทำนี่เราจะมองไม่เห็นหลมจะดูลมยากแต่ถ้าดูได้ก็ดูไปก็ได้ที่ให้ดูลมเลือให้พุทโธก็เพื่อไม่ให้ไปคิดเราสามารถควบคุมความคิดได้โดย ทุกขณะไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเรานั่งแต่ที่ให้นั่งเพราะว่ามันจะได้นิ่งเต็มที่ถ้าเราไม่ไม่ได้นั่งเรายังมีงานต้องทำอยู่เราก็ทำให้มันไหลน้อยลงไปให้มันถ้ามีอะไรคอยดึงมันไว้มันก็จะคิดน้อยหน่อยแล้วพอเวลาเรามานั่งมันก็จะได้หยุดคิดได้ ถ้าเราไม่ควบคุมความคิดไว้ก่อนที่เรามานั่งพอมานั่งนี้มันจะไม่หยุดคิดเพราะเรายังไม่สามารถทอดสมอเรือได้เพราะใจเราไม่ยอมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อยู่กับลมมันก็ไม่อยู่พอนั่งดูลมไปสองสามวินาทีก็ไปแล้วไปคิดต่อแล้วให้พุดโธได้สองสามคำก็ไปแล้ว แต่ถ้าเราหมั่นพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเนะี่ยพอตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงพอลืมตาก็พุโทโธคุมมันไว้เลยสกัดความคิดไว้ก่อนเลยเพราะความคิดส่วนใหญ่มันไม่จําเป็นต้องคิดนะถ้าต้องคิดก็ได้คิดเดี๋ยวเดียวเช่นพอลืมตามาก็ถามตัวเองว่าวันนี้วันอะไรอวันนี้ ต้องไปทาอะไรบ้างพอรู้แล้วก็ไปเตรียมตัวนอนเตรียมตัวไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ว เ, เพียงแต่ให้อยู่คิดกับคิด ก, กับการเตรียมตัวเท่านั้นเองอาบน้กาก็ก็อาบก็อยู่กับการอาบน้าไปแปลงฟันก็แปลงฟันไปให้มันอยู่กับงานที่เราทำอยู่ก็ได้หรือถ้ามันจะไปคิดก็ใช้พุโทโธดึงมันกลับมา อ๋อกางแปลงฟันอยู่ไปคิดถึงงานไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ใช้พุโทโธแทนก็ได้หรือดึกมันกลับมาดูที่การแปลงฟันก็ได้ให้อยู่กับการแปลงฟันแปลงฟันแปลงฟันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องหัดฝึกควบคุมความคิดไว้เพราะมันควบคุมยากถ้าเราไม่ทําเราจะมาหวังควบคุมแค่ ขะที่เรานั่งนี้ไม่มีวันมันใช้เวลามากกว่าที่จะควบคุมมันได้เราถึงต้องเอาเอาเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดในในชีวิตประจําวันเหล่านี้เอามาให้มันอยู่กับพุทธโธให้มันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทํำต่างๆของร่างกายแล้วเราจะได้ควบคุมความคิดได้ในระดับหนึ่งนะ มันจะไม่นิ่งร้อยเปอร์ซนจะให้มันนิ่งให้มันหยุดร้อยเปซนตต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลาเราทำอะไรเราก็ยังต้องใช้ความคิดอ ย, อยู่เวลาเราแปลงฟันเราก็ยังต้องใช้ความคิดแต่เป็นความคิดที่อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวมันก็ยังเป็นความคิดอยู่แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆนี่เราไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องกากับไม่ต้องสั่งให้ร่างกายทาอะไร เราก็ใช้ใจดูลมไปอย่างเดียวตอนนั้นถ้าใจเราไม่คิดแล้วนั่งดูลมไปไม่นานเดี๋ยวมันก็จะนิ่งนิ่งแล้วมันก็จะสบายจะเย็นจะมีความสุขตอนนั้นจะไม่อยากได้เลยแต่ใหม่ๆมันก็จะนิ่งได้เดี๋ยวๆนิ่งปั๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ถอยออกมาก็เรียวกว่าแบบงูแลบลิน ก็กำลังของสติเหล่านี้สู้กำลังของจิตที่สู้กำลังของความคิดไม่ได้ความคิดมันยังมีกำลังมากมันเหมือนถูกมันเหมือนเราถูกเราชกล้มลงไปพอล้มลงไปกรรมการยังไม่ทันมานับมันก็ลุกขึ้นมาก่อนแล้วไม่หมา่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราชกมันไปเรื่อยเมันลุกขึ้นมาแล้วก็ชกมันต่อไปเดี๋ยวต่อไปมันก็นับแปด นับแปดนับสิบน้นเราต้องโชคมันอยู่เรื่อยๆเราต้องภูมิความคิดอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันคิดเวลามันจะคิดเรื่องอะไรก็ต้องคอยควบคุมว่าให้มันคิดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นต้องคิดดังั้นถ้าเราอยากจะไม่ให้มันคิดเนี่เราต้องไม่ทําอะไรจะดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ถ้าเราทํางานเราก็ต้องใช้ความคิดทํามาหากิน ไปทางานเราก็ต้องใช้ความคิดกันถ้าทาอย่างนี้ก็จะคุมได้ไม่ให้มันคิดด้วยเปืเ่อยแต่ล่ะเองแต่มันไม่หยุดคิดเพราะมันยังต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการทางานอย่แล้วเวลามานั่งก็จะไม่สามารถทำให้มันนิ่งได้พวกที่ต้องการให้ใจนิ่งเขาถึงหยุดงานกันเช่นวันหยุดนี้ก็ไปไปปฏิบัติกัน ไปควบคุมความคิดกันไปหาที่ที่ไม่ต้องไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ทำงานถ้าเจอคนเดี๋ยวก็คิดกันอีกเจอกันเดี๋ยวก็คุยกันอีกคุยก็ใช้ความคิดกันอีกถ้าอยากจะไม่ใช้ความคิดก็ต้องไม่ทำงานแล้วก็ไปหาที่ไหนที่ไม่มีใครที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยอยู่คนเดียวแล้วทีนี้มาสู้กับความคิดกัน เดินก็คอยคุมความคิดนั่งก็คอยคุมความคิดยืนก็คอยคุมความคิดถ้าเราไม่ต้องทำอะไรเราก็จะมีแต่การเปลี่ยนอิรียบทนั่งเมื่อยลุกกระลุกเดินเดินเมื่อยก็ยืนบ้างอะไรนอนบ้างสลับกันไปแต่เราจะมีงานอย่างเดียวที่เราต้องทำตอนนั้นก็คือไม่คิดควบคุมความคิดสู้กับความคิดให้ได้ ถ้าเราสู้กับมันได้เนี่ยมันจะนิ่งแล้วมันจะเย็นจะสบายถ้าสู้ไม่ได้มันจะอึดอัดมันจะเครียดเดี๋ยวมันอยากจะคิดไปดูทีวีคิดไปดูหนังคิดไปฟังเพลงคิดไปหาขนมกินคิดไปหาเครื่องดื่มดิมพอมันคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสู้มันไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ดึงไปดึงไปหาสิ่งต่าง แล้วมันก็จะทำให้เราหิวไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆความคิดจะทำให้เราเกิดความอยากตามมาคิดถึงขนมเดี๋ยวก็อยากกินขนมนะคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงอะไรที่เราเคยชอบเคยทำเดี๋ยวก็อยากจะทำแล้วชีวิตเราก็จะเวียนไปกับการทาตามความอยากตา่างๆเวลาได้ก็ดีใจ เวลาไม่ได้ก็เสียใจบางคไม่ได้ก็โกรธเวลาอยากได้อะไรแล้วพอไม่คนมีคนมาขัดขวางไม่ให้ทำเราก็โกรธเขาขึ้นมาขับรถอยากจะแซงแซงไม่ได้ก็โกรธรถที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ย <laughs> มันทำให้ชีวิตเราวุ่นวายถ้าเราควบคุมความคิดไม่ได้ เราจะควบคุมความโลภความโกรธไม่ได้ยังต้องพยายามฝึกสติให้มากสตินี่เป็นตัวที่จะคุมความคิดได้สตินี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเชือกะใจเราหรือความคิดเราเป็นเหมือนลิงก็เห็นลิงมันนั่งเฉยๆนะมันวิ่งไปมันทํานู่นทํานี่ลองไปไล่จับมันดูเลยจับมันไม่ทันเราถ้าไม่มีเชือกอ่ะ ถ้าเรามีเชือกยาวๆเราเว่งแหเข้าไปเหว่งมันคล้องคอมันได้พอคล้องเชือเอาเครื่องเชือคล้องคอมันได้ก็ลากมันได้นะลากมันไปผูกไว้กับต้นไม้นะมัดมันให้แน่นเลยแต่เชือกต้องแข็งนะถ้าเชือกเป็นเชือกกล้วยเนี่ยมันก็ตกทีก็ขาดสติของพวกผู้ที่เริ่มฝึกใหม่ๆจะเป็นเหมือนเชือกกล้วยจะผูกจิตได้ชั่วคราว ให้อยู่กับพุโทโธได้ไม่กี่คําเดี๋ยวไปแล้วขาดแล้วแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆสติมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันจะพุโทโธไปได้นานควบคุมความคิดได้นานนานๆถึงจะขาดสักครั้งนึ่งถ้าเราควบคุมความคิดได้วเวลาเรามานั่งเฉยๆให้ใจนิ่งเต็มที่เนี่ยมันก็จะนิ่ง ยันตอนนี้ถ้าเรานั่งแล้วไม่สงบไม่นิ่งแสดงว่าเชื่อของเรามีกําลังไม่พอสติเรามีกําลังไม่พอเราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นโดยทําก่อนที่เราจะมานั่งควบคุมความคิดตลอดเวลาให้มันคิดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นต้องคิดเท่านั้นถ้าเรื่องไม่จําเป็นอย่าปล่อยให้มันคิด ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถควบคุมความคิดได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งก็ใช้พุทธโธ ท, ท่องพุทธโธพุทธโธไปถ้าเร า, เ, าเหนื่อยหรือเมื่อยจากการท่องพุทธโธก็ให้มาดูร่างกายเราว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ใช้ร่างกายเป็นตัวหยุดความคิด ถ้าใจเราคอยดูการกระทําของร่างกายเราก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นกําลังเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินเท้าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปอหรือว่ากําลังทําอะไรเช่นแปลงฟันล้างหน้าก็ให้มันอยู่กับการแปลงฟันล้างหน้าซักผ้าอาบน้ํากวาดบ้านถูบ้านะ ทำอะไรต่างๆด้วยร่างกายก็ให้ใจอยู่ไปกับร่างกาย <c oughs> จดจอ่อ <c oughs> เพ่งดูร่างกายไปทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวถ้าอย่างนี้แล้วมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ <c oughs> แล้วพอเราไม่ต้องทําอะไรเราก็นั่งหลับตานั่งหลับตาก็มีสองอย่างที่จะผูกใจไว้ใช้พุโทโธไปก็ได้ หรือถ้าไม่ชอบพุโทโธใช้ลมก็ได้ให้ดูว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าหรือลมกำลังออกให้รู้เฉยๆน่าจะรู้นะมันมีแค่สองอย่างนันนะลมหายใจเข้าหายใจออกถ้านั่งไม่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะมันฉลาดหรือโง่ก็ไม่รู้มันรู้เรื่องอื่นรู้ได้หมดแต่พอเรื่องลมหายใจนี้ไม่รู้ ของอยู่ใกล้ตัวอยู่กับตัวตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงหายใจตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันต้องรู้สิอลองนั่งมนดูเนยตอนนี้รู้ไหมตอนนี้กําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้มัรู้อย่างนั้นอย่างเดียวถ้าสัมผัสถ้าเห็นลมมันสัมผัสได้ก็ยิ่งดีมันจะสัมผัสอยู่ที่ ทางเข้าทางออกอ่ะทางออกของลมอยู่ตรงไหนอ่ะที่ปลายจมูกที่รูจมูกใช่ไหมก็ดูมันตรงนั้นก็ได้ลมมันจะเข้าตรงนั้นแล้วมันก็จะออกตรงนั้นถ้าเราสัมผัสกับลมได้ถ้าเห็นการสัมผัสของลมกับจมูกได้ก็ดูตรงจุดตรงนั้นคอยดูไปอย่างเดียวถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้ดูแล้วถ้าดูก็ต้องไม่คิดทำอย่างนี้ไปเถิด แล้วเดี๋ยวมันจะนิ่งเองไม่ยากเย็นอะไรหรอกของวิเศษของดีนี่ง่ายกว่าการไปหาเงินหาทองทำงานทั้งวันแปดชั่วโมงถ้าเป็นข้าแรงขั้นต่าก็ได้แค่สามร้อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสู้นั่งเฉยๆสิบห้านาทียี่ิบนาทีจิตสงบนี้เหมือนได้เงินเป็นแสนละ่ะความสงบความสุขไ ด, ได้จากความสงบนี้ มันเหมือนกับความสุขมันเหนือกว่าความสุขที่ได้เงินเป็นแสนได้เงินเป็นแสนก็ไม่สุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบพอสงบครั้งเดียวแล้วมันจะติดใจแล้วทีนี้มันจะไม่อยากจะทำอะไรแล้วมันอยากจะนั่งมันอยากจะหาความสงบไปเรื่อยๆชีวิตมันจะเริ่มผันแปรละกเคยหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลง ความสนุกกับเพื่อนฝูงกับอะไรนี่มันจะเริ่มเบื่อแล้วมันไม่มีรสชาติเหมือนกับรสชาติของความสงบพระพุทธเจ้าบอกรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงตาถ้ารได้สัมผัสรสของความสงบแล้วนี่จะเบื่อกับรสอย่างอื่นเหมือนกับเราได้ไปรับประทานอาหารที่เราไม่เคยรับประทานมาก่อนที่มันออร่อย เราก็จะไม่อยากไปกินอาหารอย่างอื่นนะจะกินตอาหารอย่างนี้หรือถ้าได้ของใช้ที่ดีกว่าของเก่าที่เรามีอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดเราได้โทรศัพท์รุ่นใหม่มาเนี่ยเราก็จะไม่อยากจะใช้รุ่นเก่านะมีรุ่นเก่าก็ยกให้คนอื่นได้เพราะรุ่นใหม่มันดีกว่ามีสมรรถภาพมีความสามารถทําอะไรได้มากมายกว่าเหมือนล่อยน ถ้าเราได้รถยนต์คันใหม่มานี่คันเก่าเราก็ไม่อยากจะใช้แนละ้วคันใหม่นี้มันดีกว่าทุกอย่างวิ่งก็เร็วกว่านั่งก็นิ่มนุ่มกว่าอะไรดีก็ไปหมดปลอดภัยกว่าเราก็จะไม่อยากจะใช้คันเก่ารถแห่งธํามก็เป็นนรถคันใหม่เป็นอาหารจานใหม่มันดีกว่าของเก่าที่เรามีอยู่ คนที่ได้ลดแห่งธรรมแล้วเขาจะเริ่มเข้าหาธรรมะ ม, มากขึ้นเขาจะไปวัดบ่อยขึ้นเขาจะปฏิบัติมากขึ้นเขาจะนั่งสมาธิมากขึ้นฝึกสติให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปทาแต่การปฏิบัติอย่างเดียวไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไม่อยากได้อะไรเพราะเวลาจิตสงบแล้วมันไม่เดือดร้อนกับอะไร ร่างกายจะเจ็บจะปวดตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่เดือดร้อนไม่ลำคาญได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ลำคาญใครจะดา่าใครจะชมก็เฉยเฉยเนี่ยความนิ่งของจิตนี่เป็นของวิเศษเป็นความสุขอย่างยิ่งเราจึงต้องพยายามมาฝืนบังคับมันถ้าไม่บังคับมันไม่ทำารอกสมัยที่เราเริ่มนั่งนี้ก็เหมือนกัน ตอนต้ก็อ่านแต่นังสืออ่านอยู่ต้องเป็นเดือนมัง้งนังสือเรื่องการนั่งการปฏิบัติเนี่ยแต่ไม่เคยนั่งสักครั้งเชื่อไหมเราก็สร้างมันถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงจะนั่งสักทีก็เร า, านั่งเดี๋ยวนี้เลยก็เอามันเลยนั่งตอนนั้นเลยพอถามตั้งแต่ศึกษามาแล้วยังไม่เคยนั่งเลยเมื่อไหร่จะนั่งสักทีมันก็เลยเอาเลยเอาตอนนั้นเลย ไม่ทำอะไรทาอะไรอยู่ก็หยุดทาเลยนั่งเหมือนไปรู้แล้วเนี่ยวิธีนั่งจะทำนั่งเย่างก็ดูลมตอนนั้นเราเราอ่านวิธีดูลมหายใจก็นั่งหลับตาให้นั่งขัดสมาธิก็ดัสมาูแล้วก็นั่งตัวให้ตรงแล้วก็หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปหมาๆก็นั่งไม่ได้นานห้านาทีสิบนาทีแต่มันก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็พอจะนั่งได้อยู่ แล้วต่อไปก็บังคับพอมันอยากจะลุกก็ไม่ไม่อยากให้มันลุกบังคับให้มันนั่งต่อไปให้มันดูลมต่อไปถ้าดูลมไม่ได้ก็บังคับให้มันบริกรรมหรือให้มันสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ามันมีอะไรให้มันทำมันก็จะเพลินแล้วมันก็นั่งต่อได้เช่นนั่งดูลมแล้วมันไม่ยอมอยู่กับลมก็ลองให้มันสวดมนต์ดูสวดไปร้อยร้อยรอบก็ได้อิติปิโสร้อยรอบเนี่ย สวดไปสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงตัวเอิติปิโสผักกาวาอรหังสัมมาสัมพุทโตวิชฌาเจรณนะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูสวดไปถ้าจํำบทยาวไม่ได้เอาสั้นๆก็ได้เอาพุทธังสระนังกะฉามิธรรมังสระนังกะฉามิสังทางสระนังกะฉามิไปก็ได้สวดไปซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะสวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะนั่งได้ มันจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะมันมีงานทํำที่มันอึดอัดเพราะมันไม่มีอะไรให้มันทำํำนั้นต้องอะไรต้องให้มีอะไรให้มันทําำทำในพุโทโธก็ดูลมถ้าพุโทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้นถ้าท่องบทยาวๆได้ก็มันอาจจะไม่เบือ่อถ้าบทสั้นๆมันซ้ำซาบมันอาจจะเบือ่อยอย่างตอนที่เราหัดใหม่ๆพอดีช่วงนั้นเรากําลัง อ่านสติปัฏฐานสูตรอยู่แล้วเราก็ท่องจาไว้พอเวลานั่งสมาธิแล้วมันนั่งไม่ได้ดูลมไม่ได้เราก็เลยท่องบทนี้ไปท่องบทสติปัฏฐานสูตรไปท่องเป็นภาษามันเป็นภาษาแปลไม่ได้ภาษาบาลีเพราะภาษาบาลีไม่เข้าใจก็เลยอ่านคำแปลําแปลตอนนั้นเป็นภาษาอังกฤษก็เลยท่องเป็นภาษาอังกฤษไป ท่องมันไปเรื่อยๆกว่าจะจบก็เกือบสี่สิบนาทีสามสิบกว่านาทีสิเพราะมันมีวนไปเวียนมาซ้ำตร ง, ตรงนั้นซ้ำตรงนี้อยูอ่มันได้สองอย่างการท่องสติปัฏฐานสูตรมันได้รู้จักวิธีฝึกสติเพราะสติปัฏฐานสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระเจ้าสอนให้พระฝึกสติกัน มันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาสอนทั้งสามอย่างตอนต้นให้ฝึกสติโดยการดูอิริยาบถของร่างกายเคลื่อนไหวไปต่างๆแล้วพอเวลามันนั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกตอนต้นสอนให้ฝึกสติสอนให้นั่งสมาธิก่อนพอนั่งสมาธิได้แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ให้ ดูร่างกายศึกษาว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรบ้างร่างกายที่เราเห็นนี้เรายังเห็นไม่ครบก็ได้นะเห็นเพียงห้าห้าห้าชิ้นนั่นเองเห็นแต่ผมขนแลฟันหนังแต่มันมีต้องสามสิบสองส่วนด้วยกันเรามองไม่ครบเราเลยถูกถูกหลอกมองเห็นร่างกายที่ไม่สวยกลายเป็นที่ร่างกายที่สวยงามขึ้น ก็ม อ, องไม่เห็นส่วนที่มันถูกคุ้มคอเอาไว้อยู่ไม่เห็นไม่เห็นอา่าอะไรที่อยู่ภายใต้ผิวหนังไปใต้ผิวหนังมีอะไรก็เนื้อไงเนื้อแล้วก็มีอะไรก็มีเอ็นเอนรัดกระดูกนะแล้วมีกระดูกนะร่างกายของคนเรามีกระดูกไหมใครไม่มีกระดูกบ้างมีกระโหลกศรีรษนะไหมเคยเห็นกระโหลกศรีรษะของเราไหย ก็เ ห, เ, เ, ห เ, กเห็นโครงกระดูกของเราไหมไม่เคยเห็นเพราะไม่มองมันไม่นึกถึงมันวิธีที่จะเห็นโครงกระดูกก็ดูโครงกระดูกของคนอื่นก่อนไปดูป่าช้าสมัยก่อนก็ทิ้งศพไว้ในป่าชา้าแล้วเวลาศพมันเน่าเปื่อยไปมันก็จะเหลือโครงกระดูกให้เราเห็นก็ดูโครงกระดูกแล้วก็มาจับที่หัวเราดูเนี่ยจับที่แขนที่มือที่อะไรเราเนี่ย เราก็จะรู้ว่าเฮ้เราก็มีโครงกระดูกเหมือนกันนอกจากโครงกระดูกแล้วยังมีอะไรต้องอยัดปอดก็ต้องมีเวลาหายใจก็ต้องใช้ปอดหายใจเวลาฉีดเลือดให้เลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็ต้องมีหัวใจเป็นปั๊มาให้ฉีดมีกระเพาะมีลำไส้มีไตมีตับมีอะไรเนี่ยเราไม่ดูกันเราไม่คิดว่าเรามีของพวกนี้อยู่อยู่ก็มองไม่เห็นไม่เคยเห็น ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นตับไตไสู้มิของเราแล้วเวลาเห็นตับไตไสู้มิของคนอื่นก็เกิดขยะขยงขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มันก็เหมือนกับของเราเราอยู่กับของที่ขยะขยงมาได้ตั้งแต่เกิดแต่พอไปเห็นของคนอื่นเขาเกิดอาการขยะขยงขึ้นมาแต่เวลามันอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงนี้ไม่รู้สึกขยะขยงกับมันเลยเพราะเราไม่เคยมองมันไม่เคยเห็นมัน เราถึงต้องมาพิจารณาศึกษาร่างกายปัญญาเพื่อเราจะได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นตัวเราหรือมันเป็นอะไรตัวเราอยู่ตรงไหนในอาการสามสิบสองนี้มีตัวเราหรือเปล่าเราอยู่ที่ผมเหรอเราเป็นผมหรือเปล่าเวลาตัดผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมอเปล่ะเวลาโกนหัวไม่มีผมอยู่เนี่ยเราหายไปกับผมอป่ะไม่หาย นาตรงไหนในอาการสารที่สองนี่ที่เป็นเรามบ้าะน้ําปัสสาวะนี้เป็นเราเปล่าน้ำเลือดเป็นเราเปล่าขออะไรต่างๆที่มีในร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเหรอกนนเราก็จะได้ข้อสรุปว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่ตัวคิดเนี่ยใช่ไหมเราตัวเรามันโผล่ขึ้นไปได้ไงก็เราคิดขึ้นมาไม่ใช่ คิดว่าเป็นเรามันก็คิดถึงเราแล้วก็มันก็มีเราเพราะไม่คิดมันก็ไม่มีเราพอนั่งสมาธิจิตหยุดคิดเราก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้เราก็จะได้ข้อสรุปว่า อ, อ๋อตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวรู้นี้เอตัวรู้ตัวคิดแต่ตัวเราไม่มีเป็นแต่คิดขึ้นมาสมมุติขึ้นมาคิดว่าเป็นเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา กิน่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของเรามันเป็นของเราที่ไหนล่ะมันเป็นของเราเพราะว่าเราไปซื้อมาเดี๋ยวเวลามันพังมันก็เป็นของใครไปล่ะมันก็เป็นของกองขยะไปนมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดหรอกไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นของเราชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายของเราก็กลายเป็นสับของสับเปล่าไปใช่ไหม เวลาร่างกายเราตายไปนี่สามีภรรยาเราเขาเอาไหมเขาเก็บเราไว้ไหมเขายกให้สับเปลลเลยในชะ่ไหมจ้างสับปปเปลว่าขนไปเลย <c oughs> แล้วเราเราก็เอามันไม่ได้มันตายล้วก็สั่งให้มันไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็ไปแบบไม่มีร่างกายเนี่ยเนี่ยถ้าเราศึกษ า, างี้แล้วเราจะเริ่มเห็นชัดความว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกัน ใจนี้เป็นคนควบคุมร่างกายเป็นคนสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆด้วยความคิดเนีย่ยจะมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนใช่ไหมคิดว่าวันนี้จะมาที่นี่แล้วพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาถ้าไม่คิดอย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้คิดมาที่นี่ก็ไม่ได้มาที่นี่เพราะคิดไปที่อื่นมันก็ไปที่อื่นทุกอย่างนี้อยู่ที่ความคิดเราร่างกายมันจะไปไหนมาไหนได้มันต้องรอคําสั่ง ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยศึกษาแบบนี้เราจะได้เข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของเราชั่วคราวเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องกลายเป็นสับเปลเลยไปกลายเป็นของป่าช้าไปกลายเป็นของวัดไปเดี๋ยวก็ยกให้วัดกันทุกคนไม่ร่างกายเนี่ยตายไ ป, ไปคนไม่เคยเข้าวัดก็ได้เข้าวัดตอนนี้แหละ เกียวัดเบื่อวัดขนาดไหนก็ถึงเวลาก็ต้องไปวัดด้วยกันนะเนี่ยยังไม่เห็นบุญคุณของวัดเนี่ยวัดนี่แหละเป็นที่ไปของเราทั้งที่ไปของร่างกายของพวกเราทั้งหมดแต่เราไม่ได้ไปที่วัดไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็ไปไปกับบุญกับบาปเนี่ยบุญกับบาปเป็นที่พระเป็นผู้ที่จะพาเราไปต่อหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมใจเราได้บุญกับบาปมันจะมาเป็นผู้ควบคุมถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปก่อนเหมือนเหมือนเกวียนที่มีมีวัวสองตัวตัวอยู่ข้างหน้าตัวอยู่ข้างหลังดึงไปคนละทิดกัน ตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางทิศของมันถ้าวัวที่อยู่ข้างหน้ามันมีกําลังมากกว่าวัวที่อยู่ข้างหลังมันก็จะดึงไปข้างหน้าถ้าวัวอยู่ข้างหลังมีกําลังมากกว่าวัวที่อยู่ข้างหน้ามันก็ดึงไปข้างหลังบุญกับบาปมันก็เป็นเหมือนวัวสองตัวเนี่ยที่จะดึงใจเราไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังบุญก็ดึงไปสวรรค์บาปก็ดึงไปอาบาย เวลาตายเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่บุญบุญกับบาปจะมาเป็นผู้จัดการกับใจของเราจะดึงไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางบุญนะพอบุญหมดกำลังบุญกับบาปมันมีกำลังเท่ากันก็อยู่ในสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอาบายไม่ได้ก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ ตอนไหนตอนที่บุญกับบาปมันมีกําลังเท่ากันก็แสดงว่าไปเอาบายไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่มารอรับร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็มาหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราใหม่แล้วก็มาทํทบาบุญทําบาปใหม่ทำไมเรามาทํทบาบุญทําบาปเพราะเรายังมีความอยากได้นู่นอยากได้นี่พออยากได้อะไรถ้าหามาโดยไม่ทําบาปไม่ได้ก็ ต้องไปทำบาปเพื่อจะได้สิ่งที่เราอยากได้อยากได้เงินแต่หาไม่ได้หาเงินไม่ได้ก็ไปขโมยเงินเข้ามาใช้แต่ถ้าหาเงินได้โดยไม่ต้องทำบาปแล้วถ้าเกิดมีมากเกินไปก็อาจจะายบุญอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะแบ่งให้คนอื่นก็ได้ทำบุญเนี่ยเราก็เลยมาทำบุญทาบาป ก, กันใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็พอตายไปก็บุญกับบาป ก, ก็จะดึงไปใหม่ แต่ถ้าเรามาหยุดใจได้หยุดความคิดได้เวลาเวลาร่างกายตายไปบุญจะดึงไปไม่ได้บาปจะดึงไปไม่ได้เพราะเราติดเบรกไว้เหมือนเราใส่เบรคมือไว้รถมันจะไหลมันจะไปไม่ได้บุญไม่มีกําลังสู้เบรกไม่ได้เบรกคือสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาเราหยุดความอยากได้หยุดความที่จะไปไหนมาไหนได้สั่งให้ใจอยู่นิ่งเฉยๆได้ บุญก็ดึงไปไม่ได้บาปก็ดึงไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านมีสติปัญญาที่สามารถทำใจให้นิ่งตลอดเวลาบุญมีมากมีน้อยก็ดึงไปไม่ได้บามีมากมีน้อยก็ดึงไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของใจเรื่องของการควบคุมใจบังคับใจให้ให้นิ่งก่อน พอนิ่องแล้วก็สอนใจให้ฉลาดเพื่อจะได้ไม่เป็นหลงไม่อยากได้สิ่งต่างๆเราโงา่เราไปคิดว่ามีร่างกายแล้วดีเราก็ยัยอยากจะมีร่างกายกันพอเราอยากจะดูอยากจะฟังก็ต้องมีตามีหูก็ต้องไปหาร่างกายอยู่เรื่อยๆพอได้ร่างกายมาก็ต้องมาทุกขกับร่างกายเพอเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอตายไปก็ความอยากจะใช้ร่างกายก็ยังมีอยู่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเรามาปฏิบัติมาศึกษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราจะเห็นว่ามันให้ความสุขเราน้อยกว่าให้ความทุกข์กับเราได้อะไรมาใหม่ๆก็สุขแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นว่าความสุขเป็นความสุขชั่วคราว ไม่เที่ยงอันนี้จังพอมันไม่เที่ยงพอมันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในเวลาได้อะไรมาก็ดีใจเวลาเสียไปเสียใจได้เงินมาดีใจพอเงินหมดนี่เสียใจไหมไม่รู้หายไปไหนหมดใช้หมดไปทุกสิยงเดือดร้อนนะไม่มีเงินใช้ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีวันหมดหมดช้าหมดเร็ว หมดเป็นหรือหมดตายมันก็หมดเหมือนกันถ้าไม่หมดเป็นก็หมดตอนที่ตายเพราะตอนที่ตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยอี่ยถ้าเราใช้ปัญญาศึกษาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่สวยงามไม่น่าที่เราจะไปหลงไหลไปไปอยากจะมีร่างกายของเครมาใหความสุขกับเรา ว่ามันเป็นร่างมันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่รู้ลนะพออยู่ด้วยกันมันถึงจะรู้เอนื้อ ว, ว่าเวลาถ้าเรามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้เราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันแสนหน้าหน้าขยะขยะยิะ่ถ้าเห็นปอดเห็นไตเห็นตับของคนได้นี่คงจะไม่อยากจะมีแฟนหรอกน ะ, ะถ้าสมมติว่าหนังเรานี่หนังเนื้อเราใสาเหมือนถุงพลาสติกเงี้ยดีไหม หิ้วถุงพลาสติกมาก็เห็นว่ากําลังฮิ้วอะไรอยู่เนี่ยก็เวลาที่คนเขาไปซื้อเนื้อซื้อของในตลาดเนี่ยซื้อเนื้อวัวซื้อตับไตแล้วใส่ถุงพลาสติกเนี่ยแล้วหิ้วมาเนี่ยง่ายร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นเหมือนถุงพลาสติกคุ้มคอเนื้อเนื้อหนังมังสาคุ้มคออวัยวะน้อยใหญ่ลําไส้ปอดตับไตอันนี้อยู่ในนี้หมดเนี่ย เห็นแต่ว่ามันไม่ใสหนังเราไม่ใสเนื้อเราไม่ใสก็เลยมองไม่เห็นเราก็เลยเห็นแต่แค่หน้าตาแล้วก็ไปหลงไหลรักคนนั้นชอบคนนี้ที่หน้าตาเขาเท่านั้นเองแต่ถ้ามองภายภายใต้หน้าตาก็ได้ก็จะเห็นมีโครงมีกระโหลกศีรษะอยู่เนี่ยมีหนังบางๆหุ้มอยู่เท่านั้นเองเป็นหลงรักไอ้หนังบางๆที่มันครอบกระโหลกศีรษะเราเนี่ย มองไม่เห็นกับหลกศรีศรษะกันใช่ไหมนี่แหละคือไม่มีปัญญาไม่ศึกษากันในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านสอนให้ศึกษาดูความจริงของร่างกายทุกสตัตว์ทุกส่วนดูว่ามันไม่สวยงามหรือว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมันก็ต้องตายถ้ารู้ว่าต้องเอาของที่ตายมาแล้วอยากจะได้ไหม ถ้ารู้ว่าแต่งงานกับแฟนสองวันแล้วเขาจะตายนี่จะไปแต่งกับเขาไหมไม่แต่งหรอกแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเขาจะอยู่ไปนานๆแต่ไม่คิดว่าเขาจะต้องตายสักวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งเขาไม่ตายจากเราเราก็ตายจากเขาแล้วันนั้นมีใครยิม้มไหมไม่มีใครยิม้มไม่มีใครฉลองไม่มีเรื่องฉลองกันมีแต่ร้องไห้กันเนี่ยเรากำลังไปหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่ามันเป็นความสุข คิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขแต่พอเวลาแฟนจากไปนี่หรือเราต้องจากแฟนไปนี่ร้องห่มร้องไห้กันใหญ่นี่คือเราต้องศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องหมดไปเวลามันเปลี่ยนเวลามันหมดมันจะทาให้เราทุกข์ พอเรารู้ว่าเราจะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เราก็อย่าไม่ไม่เอามันดีกว่าเราก็จะหยุดความอยากได้เราก็จะอยู่กับความสงบอย่างเดียวจะดีที่สุดความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราสามารถที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเรามีสติมีปัญญาสร้างมันขึ้นมาได้เราก็จะสามารถรักษามันได้เราก็จะทําให้ใจเราไม่มีความอยากอีกต่อไป เมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไม่ต้องไปดิน้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆหามาแล้วก็มาเสียใจเวลามันเสียไปมันจากเราไปอีกเราวิ่งหาความทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุขเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันยิงต้องนั่งวิเคราะถึงใจเห็น ถ้าไม่มีเคาะถ้ามองผิวเผยมันก็จะคิดว่านเป็นสุขเห็นอะไรได้อะไรมาก็สุขช่วงนี้ไปช้อปปิ้งกันมีใครว่าทุกทุกคนสุขกันงนงกว่าแต่ไม่เห็นทุกที่จะตามมาเดี๋ยวสิน้นสิ้นเดือนอไปรูดบัตรนี่เขาส่งบินมาเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วโอ้โหเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินจะจ่ายเขาอีก ไม่ว่าเวลาไปชอปปิ้งก็เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่รู้สึกเหนื่อยเดินแล้วเดินเนี่ยก็หิ้วนูน่นหิ้วนี่เหนื่อยจะตายไหมแต่ทนได้ถ้าถ้าเหนยแบบนี้ทุกแบบนี้ทนไหวแต่ให้นั่งเฉยๆดูลมหายใจนี่ทนไม่ไหวสู้ไม่ได้ <c oughs> กินเลสมันหลอกใช้เราโดยไม่รู้สึกตัวกินเลสตัณหามันหลอกถ้าทำอะไรตามความอยากนี่เท่าไหร่เท่ากัน ให้ไปปีนภูเขาหิมาลไยก็ไปเนี่ยแต่ถ้าให้นั่งเฉยๆนี่กิเลสมันกลับก่อกวนกลับทำให้เราสึกว่ายากลำบากแล้วเกินเวลาไปปีนเขาปีนอะไรนี่โอ้ oh, ไม่รู้สึกยากเลยนี่แลหละกิเลสมันเก่งมันหลอกปั่นให้เราหลงแล้วเราได้อะไรจากการไปทําอะไรต่างๆดีใจเดียวเดียว ไปปีนถึงยอดเขากลับมาบ้านก็ผ่านไปละเหมือนเป็นความฝันอ่ะเพียง แ, แต่เรามาคิดโอ้เราเก่งนะเราเคยปีนเขาลูกนี้ก็เท่านั้นเองอพอตอนนี้เป็นงไงอยู่บ้านเงาเศร้าอหงุดหงิดไม่ได้ไปไหนมาไหนแล้วต่อไปมันแก่มันก็จะไปไม่ได้ไปปีนเขาก็ไม่ปีนไม่ไหวละไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ไหวละไปทําอะไรก็ไม่ไหว ทีก็ต้องอยู่กับความซึมเศร้าอยู่บ้านก็ซึมเศร้าแล้วถ้าเป็นโรคนู่นโรคนี้เดี๋ยวก็อยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมานี่แหละเกิด ค, ความทุกข์เนี่ยมีร่างกายแล้วมันไม่สุขหรอกเดี๋ยวเวลามันแก่มันเจ็บเนี่ยมันจะอยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันทุกข์มันไม่สามารถใช้ร่างกายไปทำอะไรได้แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย เวลาแก่มันเจ็บแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปดูลมหายใจไปใจก็นิ่งสงบแล้วก็มีความสุขกันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันตอนแต่ตอนนี้ดีกตอนนี้เรายังมีเวลาฝึกว่าเวลาแก่แล้วมันจะไม่มีกำลังที่อยากจะฝึกตอนนี้เรามีกำลังแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพยายามฝึกสติไปพยายามฝึกนั่งสมาธิไปต่อไปเราจะนั่งได้เหมือนขี่จักรยาน ถ้าเราไม่เคยขี่จักรยานเราจะขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้หรอกใช่ไหมใหม่ๆขี่ก็กลัวมันล้มเราก็ต้องหัดพยายาม บ, าบังคับหัดขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขี่ได้หรือว่ายน้ําเนี่ยถ้าเราไม่เคยว่ายมาก่อนเราก็กลัวจะจมน้ำํำแต่ถ้าเราหัดว่ายไปเดี๋ยวเดียวเราก็หัดได้แล้วก็ว่ายได้นั่งสมาธิก็เหมือนกับหัดขี่จักรยานหัดว่ายน้ํานี่แหละ เอต้องต้องรู้จักวิธีที่ถูกเท่านั้นเองวิธีที่ถูกก็จะต้องมีสติก่อนต้องหัดสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องเหมือนพุโทโธพุโทโธเหมือนกำกับความคิดอย่าให้มันคิดคอยพุโทโธพุโทโธไปคอยเฝ้าดูร่างกายไปแล้วพอเวลาเวลาว่างก็นั่งหลับตาไปเวลาว่างอย่าเอาไปอย่าไปนั่งกินขนมอย่าไปนั่งดูหนังฟังเพลงอย่าไปนั่งเล่นเกม มานั่งสมาธิดีกว่ามาฝึกไปเรื่อยๆรืรับรองได้ถ้าทำไปบ่อยๆมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งได้นั่งได้ตลอดเวลาอยากจะนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งได้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่เดือดร้อนนั่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนาะมีความสุขได้แล้วมีความสุขดีกว่าการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงสกแล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทอง นั่งเฉยๆมันจะเสียอะไรไม่ต้องไปเน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองเนี่ยมันดีดีทุกอย่างกับมองไม่เห็นคุณค่าของการนั่งเฉยๆนั่งแล้วมันรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดลำคาญใจเลยนั่งไม่ได้เพราะใจมันดิ้นมันเลยอุ่นขดองิดก็ยังเราต้องใช้วิธีไม่ให้มันหงุดหงิดก็ต้องจับให้มันอย่าให้มันดิ้นได้อย่าให้มันคิดให้ได้ ถ้ามันไม่คิดแล้วมันจะไม่งดหยุดที่มันงดหยุดเพราะมันคิดคิดอยากจะลุกอยากจะไปทํานู่นอยากจะไม่ทํานี่มันก็เลย ง, หงดหยุดขึ้นมาเราต้องมีสติดีๆมีเชือกแข็งๆมัดไว้ให้มันนั่งแม่้มันดิ้นถ้ามันไม่ดิ้นแล้วเราจะนั่งได้อย่างสบายจะมีความสุขงั้นพยายามฝึกสติให้มากๆลืมตาขึ้นมาก็คุมหยุดความคิดไปเลยสั่งมันอย่าคิดอย่าคิดถ้าจะคิดต้องถามมันก่อนคิดเรื่องอะไร จำเป็นต้องคิดไหมจําเป็นก็คิดคิดเสร็จแล้วก็พอแล้วก็กลับมาอยู่กับการงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําก็อาบน้ําไปอย่างเดียวล้างหน้าก็ล้างหน้าไปอย่างเดียว อ, อย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้ามันจะไปคิดก็ใช้พุโทโธดึงมาก็ได้อาบน้ําก็พุโทโธพุโทโธล้างหน้าล้างหน้าก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปอย่าให้มันไปคิดเรื่องต่างๆแล้วเราจะสามารถควบคุมความคิดได้ และเวลาเรานั่งมันก็จะทําให้มันนิ่งได้เราจะนั่งได้นานเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกอึดอัดจะรู้สึกเบาสบายใจเราจะชอบนั่งต่อไปนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่คือเรื่องของการทําใจให้สงบเรื่องของการสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป็นลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงถ้าเราทาใจให้สงบได้แล้วชีวิตเราจะปลอดภัยจากความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปฉันขอให้พยายามไปฝึกหัดกันตอนนี้พยายามฝึกสร้างสติกันให้ได้แล้วพยายามนั่งให้ได้พยายามลดการทางานให้น้อยลงเอาเวลาที่ว่างนี้อย่าไปทา กิจกรรมอย่างอื่นเอามาทํากิจกรรมนี้อย่างเดียวมาสร้างสติมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบแทนที่จะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงเอ็นปีใหม่นี้อยู่4วันลองอยู่บ้านถ้าไม่มีที่ไหนไปก็อยู่บ้านเนี่ยปฏิบัติไปที่บ้านก็ได้ประหยัดเงิน ไ, งงไม่ต้องเยอะแยะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ดูอยู่4วันนี้ถ้าไปเที่ยวไปเดินทางไหนจะไปขึ้นเครื่องไหนต้องไปอะไรนี่หมดไปเป็นหมืน่นเป็นแสน อยู่บ้านสบายมีเงินเก็บไว้อย่างไม่ต้องไปดิ้นหาไปเที่ยวมาสี่วันเงินเงินหมื่นเงินเงินแสนหมดไปแล้วแล้วก็ต้องไปหาใหม่ไปไปทุกกับการทํางานกับการหาเงินใหม่แล้วก็ไม่ได้เลยไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ใก็ไปเที่ยวก็หายไปหมดแล้วูนั่งสมาธิได้สี่วันนั่งสมาธิได้เราก็จะนั่งต่อไปได้เรื่อยๆจะมีความสุขต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่ต้องเสียเงินเมื่อไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องไปหาเงินต่อไปก็ไม่ต้องทำงานได้ทำก็เท่าที่จาเป็นทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอปีหนึ่งอาจจะทำแค่เดือนเดียวก็พอเดือนอนึงก็ได้เงินเหลือกินเหลือใช้ทั้งปีแล้วเอาเวลาทั้งปีไปนั่งสมาธิดีกว่าไปหาความสุขทางทางใจดีกว่าอันนี้คือวิธีง่ายๆที่พระเจ้าทรงกนพบ แต่พวกเรากลับเห็นว่ามันยากเพราะเราไม่ถนัดเท่านั้นเองพออะไรไม่ถนัดเราก็เลยไม่อยากได้ไม่อยากทํากันต้องบังคับนะต้องต้องเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับว่ามันมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่ามากกว่ายิ่งยิ่งกว่ามีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีเงินเหมื่นล้านแสนล้านก็จะไม่มีความสุขแบบนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจิต์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมที่จะตามมาต่อไปขออนุมโมทนาให้พรอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตานาังอุ ป, ปกัรปฏิ อิชิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามมลิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจาันตุสัพพรุโคเวนัสตุมาเตภวะตวันตาราย สุขีทีคายุโกภาวะอพิวาทานสีฤิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาอาจารย์ท่มีคนที่งืงนตังไว้ที่หน้าห้องน้ำร้อยหนึ่งนะครับ ใครไม่ทราบลืมสตางค์ไว้ที่หน้าห้องน้าถ้าถ้าถ้าเป็นของใครก็มาเอาได้ถ้าไม่มาเอาต่อไปก็เบื่อจากไปก็แล้วกันเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ยังไงไม่รู้จะคืนได้ยังไงเพราะของบางทีมานลืมเก็บไว้เป็นเดือนก็ไม่มีกลับมาเอาอันก็ขอขอถือเป็นกติกาว่าถ้าลืมก็ถือว่าสละสิทธิ์ก็แล้วกันทาไมมาเอาแต่ว่าทาบุญไปก็แล้วกันนะ เราไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นภาระจะนอนคอยเก็บไอ้เงินก้อนนี้ตอนนี้ประกาศให้ทราบแนละ้วอันนี้มีต่างชาติเข้ามาไหมยังไม่มีครับยังไม่มีถ้ามีคำถามก็ลองถามมาครับคำถามจากประเทศลาวครับจากพระวิรัตครับ กราบเรียนถามพระอาจารย์กระผมนั่งสมาธิแล้วปวดขามากเลยออกจากสมาธิอยากถามว่าถ้าผมทนต่อไปจะใช้เวลานานไหมครับถึงจะหายปวดขาขอบคุณครับคืออยู่ที่กําลังของสติของเราแล้วที่ที่หายไม่ใช่ปวดขาหายแต่ปวดใจที่มันเป็นทรมานไม่ใช่ขาทรมานแต่ใจทรมาน ถ้าใจหายทรมานแล้วอาการปวดขาจะไม่เป็นปัญหาจะอยู่กับมันได้งั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้อาการปวดขาหายไปบางทีมันก็หายเพราะมันเป็นอ น, นิจจังเหมือนกันพอถึงเวลามันจะหายมันก็หายไปแต่ตัวสําคัญที่เราต้องการให้มันหายก็คือตัวตัวทรมานใจตัวทรมานใจมันเกิดจากความอยากให้อาการปวดขาหาย ยิ่งอยากมันยิ่งทรมานใหญ่นี่เราต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปหรือมีอะไรให้มันให้ใจเราทําเพื่อไม่ให้มันไปอยากให้อาการปวดขาหายไปพอลืมความอยากที่ให้อาการปวดขาหายไปความทรมานใจก็จะหายไปนี่แหละอริยสัจใช่หไหมความทุกข์ใจความทรมานใจเกิดจากตัณหาความอยาก อยากให้อาการเจ็บปวดของร่างกายหายไปก็เลยทําให้ทรมานใจถ้าเรามีสติหยุดความอยากนี้ได้พุโทโธพุโทโธไปอาความทรมานใจมันก็จะหยุดไปแล้วอาการความเจ็บของร่างกายจะมากน้อยเราก็จะอยู่กับมันได้ดังนั้นมันขึ้นอยู่ที่กําลังสติของเราว่ามีสติมากน้อยถ้ามีสติมากบางทีไม่กี่นาทีบริกรรมไปไม่กี่นาที ใจก็หายทรมานใจก็นิ่งสงบแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวแต่อาการเจ็บของทางร่างกายนี้เราไปสั่งมันไม่ได้มันจะหายเมื่อไหร่หรือไม่หายก็เรื่องของมันแต่มันจะไม่ทําให้เร า, เาทรมานใจเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราทรมานใจเหตุที่ทําให้เราทรมานใจคือความอยากของเราเราถ้าเรามีสติคุม ความอยากได้หยุดความอยากได้ความทรมานใจก็จะหายไปแล้วเราก็จะนั่งต่อไปได้นานคำถามจากคุณขวัญเรือนกาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตั้งใจไว้ว่าปี2561นี้จะรักษาใจไม่ให้โกรธภาวนาให้มากขึ้นไม่กินไม่เที่ยวเยอะอยากทำให้ได้ทั้งหมดนี้ขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะคือ เราตั้งใจแล้วขั้นที่สองที่เราต้องมีก็คือความจริงใจเพราะการตั้งใจนี้เป็นเหมือนกับการทำสัญญาเวลาเราทำสัญญาเราก็ต้องรักษาสัญญาไว้ถ้าเราผิดสัญญาเราก็เราก็จะไม่สามารถทำตามที่เราตั้งใจไว้ได้เันการที่เราจะทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้เราต้องมีสัจจสัจจคือความจริงใจความตั้งใจคืออธิษฐาน อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้ขนต้นโพนว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าเราจะตัดสั้ตอนกว่าเราจะพบความจริงว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรระดับมันได้อย่างไรถ้าร่างกายแล้วเลือดในร่างกายของเราจะเหือดแห้งไปเราก็จะไม่รุกถ้าเรายังไม่ได้พบความจริงนี่คือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้า แพระพุทธเจ้าก็รักษาสัจจะไม่ยอมลุกนั่งภาวนานั่งพิจารณาค้อหาไปจนกระทั่งได้พบอริยสัจสี่มันสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากลุกได้ท่านถึงจะลุกถ้ายังอยากลุกอยู่ไม่ลุกแต่ถ้าไม่มีความอยากจะลุกแล้วไม่มีความทรมานใจจากการนั่งอยู่แล้วนี้ก็ก็ลุกได้ดังนั้นการตั้งอะไรเราต้องดูกําลังเราก่อนอย่าไปตั้งมันมากกว่าที่เราทําได้ ถ้ามันจะทําไม่ได้แล้วจะทําให้เราเสียสัจจะยังต้องดูกําลังด้วยไม่ใช่นึกอยากจะตั้งอะไรก็ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาทําได้สองสามวันพอวันปีใหม่ผ่านไปสักสองสามวันล้มละเลระนาฏไปหมดโกรดนู่นโกรดนี่ขึ้นมาอย่าไปตั้งไม่โกรดเลยไม่มีทางหรอกความไม่โกรดนี้มันต้องเป็นพระอรหันต์นั้นน่ะมันถึงจะไม่โกรดนะยันขอให้โกรดน้อยหน่อยก็แล้วกันนิ่มจะไม่โกรดนี่มันคงจะยาก แล้ววิธีที่จะทำให้โกรธน้อยก็คืออยากน้อยถ้าอยากมากก็จะโกรธมากเพราะเวลาอยากได้แล้ ว, ลวไม่ได้ดังใจก็โกรธเออน้องมาต้องมาตั้งที่ความอยากดีกว่าต่อไปนี้จะลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปเมื่อความอยากน้อยลงไปความโกรธมันก็จะน้อยลงไปเองแล้วก็ตั้งสัจจะว่าจะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นพยายาม ตั้งสติจะถ้าอยากจะทำอะไรให้เอาที่สติก่อนสตินี้เป็นกุญแจเหมือนกุญแจรถยนต์ก่อนที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนได้เราต้องหากุญแจให้ได้ก่อนถ้าไม่มีกุญแจรถก็สตาร์ทรถไม่ได้ไปไหนไม่ได้ฉั้นถ้าเราอยากจะก้าวหน้าในทางธรรมนี้ขอให้เรามาตั้งอธิษฐานที่สติแล้วต่อไปนี้จะฝึกสติให้มากขึ้นจะลองทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย ลองดูสิว่าทําได้ไหมล่มตาก่อนที่จะทําทอะไรก่อนที่จะคิดอะไรพุโทโธไปก่อนเลยพุโทโธไปแล้วก็ไปทํางานที่เราไปเตรียมตัวไปทํางานต่างๆพุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําไปล้างหน้าแปรงฟันไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนดูจะทําทได้ไหมช่วงที่เรายังไม่ออกจากบ้านเนี้ขอให้เราอยากคิดได้ไหยให้คิดน้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็นแล้วต่อไปทุกอย่างมันจะมาเอง ถ้ามีสติแล้วเี๋ยวสมาธิก็มาปัญญาก็มาวิมุติหลุดพ้นก็มาความโกรธความอะไรต่างๆก็จะหายไปหมดอยู่ที่การเริ่มต้นที่สติถ้าจะตั้งอะไรให้ตั้งอยู่ที่สตินี้ดีที่สุดหาคุญจาลดให้เจอก่อนถ้าหากคุญจาลดไม่เจอไปไหนไม่ได้หรอกคำถามจากคุณวันกลับเรียนถามพระอาจารย์ถามเพิ่มจากครั้งก่อน ถ้าลูกนำเงินพ่อแม่ไปทำบุญแต่ตัวลูกไม่ได้ร่วมสมทบเงินกับพ่อแม่ตัวตัวลูกเองจะได้บุญไหมครับได้บุญที่รับใช้พ่อแม่ทำพ่อแม่อาจจะไม่ว่างไม่สะดวกที่จะไปทำอะไรฝากเงินเราไปทำบุญที่เกิดจากการให้เงินเรไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เงินของเราแต่บุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือพ่อแม่รับใช้พ่อแม่ให้พ่อแม่ได้ทำบุญนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกัน บุญคนละอย่างกันบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองของตนให้แก่ผู้อื <t <t <t <t <t sì <t <t ่นก็เป็นบ uh ุญเป็นคนละชนิดเหมือนกับปลูกต้นไม้ก็เป็นต้นไม้คนละชนิดเป็นต้นส้มกับต้นกล้วยผลออกมาก็ไม่เหมือนกันผลที่ไดจากการให้ทานก็ไม่เหมือนกับผลที่ได้รับจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทานได้ให้อะไรไปล้วก็จะได้อย่างนั้นกลับมาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปก็จะมีผู้อื่นมาช่วยเหลือเรา เช่นต่อไปเราแก่ลูกลูกของเราก็อาจจะมารับใช้เราเพราะเขาเห็นเราทําตัวอย่างกับพ่อกับแม่เราเรารับใช้พ่อแม่เราเดี๋ยวลูกเราก็เห็นเรา<ม>เขาก็จะเรียนรู้จากเราแล้วพอเราแก่เขารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้เขาก็จะมาช่วยเราถ้าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ลูกมันก็จะไม่เลี้ยงดูเราไม่ช่วยเหลือเราเพราะมันเห็นว่าเราไม่ได้ทำํำมันก็มันจะไม่ทําะ คำถามจากคุณธรรมวิวากราบเรียนถามข้อสงสัยครับการที่ผู้คนสร้างพระพุทธรูปแล้วตั้งชื่อพระพุทธรูปนั้นเป็นการเหมาะควรหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ว่ามันเป็นการเป็นการเชิดชูพระพุทธเจ้าหรืออะไรหรือเปล่ามันเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวนี้เวลามีพระพุทธรูปก็อยากจะตั้งชื่อให้รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปประจําสถานที่นี้ อะไรนึกถึงชื่ออะไรต่างๆก็จะว่าสมควรไม่สมควรก็ไม่รู้แต่เป็นเป็นธรรมเนียมที่ได้ทํากันมาและยอมรับกันมาเราจึงมีพระแก้วมรกตมีพระอะไรต่างๆพระอะไรใช่ไหมพระจําชื่อไม่ได้ก็ตั้งกันเยอะแยะไปหมดมันก็เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองเพื่อจะเพื่อที่จะยากให้รู้ว่าเป็นพระ พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ที่ไหนวัดพระแก้วก็มีพระแก้วมรกตพระชินรนาชก็อยู่ที่พิศณุโลกน่ก็ตั้งกันไปแต่ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะมันเป็นธรรมเนียมที่ทำกันมายอมรับกันมาคำถามจากคุณวิภาเวลาเราไปวัดในวัดมีต้นมะม่วง เราเก็บเอามาแต่ขอพระแล้วบาปหรือไม่เจ้าคะถ้าขอด้วยญาตแล้วไม่บาปถ้าทางวัดให้แล้วไม่บาปแต่ก็ยังเป็นความโลภอยู่การจะไปวัด น, นี่เราต้องการที่ไปกําจัดความโลภนั้นอย่าไปอยากได้ของในวัด น, นอกจากพระเขาให้มาโดยที่เราไม่ได้ขออันนี้ไม่โลภเช่นบางทีพระท่านเห็นว่ามะม่ว ง, งมันเยอะเหลือเกินมันหล่นลงมาไม่มีใครเอามาเอาไปเก็บไปกินเป็นประโยชน์แล้วพระก็บอกช่วยเอาไปกินหน่อยสิถ้าอย่างนี้ไม่โลภแล้วก็ไม่บาป แต่ถ้าเห็นมันหล่นลงมาแล้วอยากได้นี่ไม่แบบไม่บาปถ้าขอจากพระแล้วแต่โลภยังเป็นกิเลสอยู่มันมีสองอย่างมันมีโลภ ก, กับมีบาปอะงนั้นถ้าเราไม่อยากโลภด้วยไม่อยากทำบาปด้วยก็อย่าไปสนใจมันแต่ถ้าพระเขาบอกเอาไปสิเนี่ยไม่มีใครกินเอาไปเถ อ, อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่บาปเรืออาหารที่เรามาทำบุญที่วัดเนี่ยเวลาของเหลือจากพระนี่พระก็ยกให้โยมไปอย่างนี้ไม่บาป แต่ถ้าไปอยากได้อยากจะได้อาหารกลับไปบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่บาปถ้าพระเขาให้แต่ก็ยังเป็นกิเลสเป็นความโลภอยู่การมาวัดนี่เรามีเป้าหมายเพื่อมาละ ก, กิเลสมาละบาปกันเนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าให้มันมาแล้วขาดทุนคนที่มาแล้วขาดทุนคื อ, อยังไงวะหิว้วหิ้วของมาสองกิโลกลับบ้านไปหิ้วไปสี่กิโล นถึงแม้ว่าจะกลับรายของแต่มันขาดมันมันมันขาดทุนบุญเอเพราะมันกิเลสมันโลรคถึงแม้จะไม่ได้ขโมยเพราะว่าเป็นของที่วัดเขาให้แล้วแต่ไปแย่งกันในสาลาอย่างเงี้ยบางทีของอาหารที่พระเหลืออยู่เนี่ยพอถึงเวลาจะกินกันอะไรก็ไปแย่งกันอย่างนี้ก็เป็นความโลภขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความโลภ ก, ก็รอเข้าคิวไปครัใครอยากจะตักก็ตักไปก่อนถ้ามีเหลือก็เอาถ้าไม่มีเหลือเดี๋ยวไปกินที่อื่นก็ได้ะ อย่างนี้จะได้บุญมากกว่าอย่าเอาของเลยเรามาเอาบุญกันนะนพูดไม่ได้พูดเพราะหวงนะเดี๋ยวจะหาว่าหวงข้าวของอกีกพูดเดี๋ยวก็คนที่อยากจะได้มันก็จะหาว่าเราหวงของอกีกไม่ใช่เนี่ยมาพูดตามความเป็นจริงสอนเรามาวัดเรามาเพื่ออะไรเราไม่ได้มาเพื่อหาข้าวของเรามาหาบุญนะบุญเกิดจากการไม่โรคเนี่ยบุญเกิดจากการไม่ทำบาปเราต้องดูตรงนี้เป็นหลัก คำถามจากคุณโป่งฟ้ากราบเรียนถามพระอาจารย์โยมพอเข้าใจการมวิตกพยาบาทวิตกแต่ไม่เข้าใจวิหิงสาวิตกขอความเมตตาอาจารย์ขยายความวิหิงสาวิตกด้วยเจ้าค่ะวิหิงสาก็ความโหดร้ายใช่ไหมความความคิดที่จะทำร้ายผู้อืน่น อ, อหิงสาก็คือไม่ไม่คิดทำร้ายผู้อืน่นอย่างคารทีนี่เขาใช้อหิงสาในการประท้วงเนี่ย คือนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆไม่ทำงานหยุดงานอย่างนี้ก็เรียกเป็นการประท้วงแบบวหิงษาแบบวิหิงษาก็แบบทำร้ายเข้าของเผาบริษัทเผาโรงงานนี้เรียกว่าวิหิงษาคือความทารุณโหดร้ายการกระทำการที่มันเกิดความรุนแรงเสียหายต่อผู้อื่นคาถามจากคุณเคร์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เคยได้ยินผู้ใหญ่สอนว่าคนเราถ้าก่อนจะสิ้นใจตายให้นึกพุโทโธได้คําเดียวก็ไม่ตกนรกแล้วคําสอนนี้เป็นจริงไหมครับก็ลองดูสิอย่างนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องมาทำบุญให้มันเสียเวลาทำบาปมันตลอดชีวิตเลยพอเวลาจะตายท่องพุโทโธคําเดียวไปเลย ม, มันมันน่าจะใช้ปัญญาคิดได้แล้วเนะ่ยาว่าพุโทโธคาเดียวมันจะไปได้อย่างไร อย่างที่สอนมาตลอดว่ามันไม่ได้อยู่ที่คาสุดท้ายของเราหรอกไม่ได้อยู่ความคิดสุดท้ายของเรามันอยู่บัญชีสุดท้ายของเราว่ามันบวกหรือลบเขาใจไหมบัญชีของเราเนี่ยมันมีบัญชีมันมีบุญกับมีบาปเนี่ยมันมาบวกลบกันแล้วอันไหนมันบวกถ้าบวกไปทางบาปมันก็ไปนรกอะไปอบายถ้ามันบวกไปทางบุญมันก็ไปสวรรค์ อันนี้จะมาเปลี่ยนบัญชีตอนวันสุดท้ายไม่ได้หรอกมาลบทิ้งแล้วเขียนบวกอย่างเดียวนี่ไม่ได้หรอกอย่างนี้เรียกว่ากกงพวกที่เข้ามามาตรวจบัญชีเขาว่าคีนี้ทําผิดกฎหมายแล้วบัญชีเราทําอยู่ทุกวันสะสมทุกวันเราไปเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราทําบุญทําบาสมาทุกวันแล้วมันก็จะมันก็จะออกผลมันจะมามาบวกลบคูณหารกันวันสุดท้ายตอนที่เราตาย ถ้าผลมันบวกมันก็ไปสวรรค์จะว่าพุโทโธไม่ว่าพุโทโธมันก็ไปสวรรค์ถ้าผลมันลบจะว่าพุโทโธไม่พุโทโธมันก็ไปนรกนมันไม่ได้อยู่ที่คําสุดท้ายของเราคําถามจากคุณหนูกราบพระอาจารย์ค่ะหนูชอบทําสมาธิมากรู้สึกเบื่อสามีไม่อยากมีครอบครัว อยากจะบวชหนูจะทําอย่างไรคะก็บวชก็อยากจะบวชก็ไปบวชสิเบื่อสามีก็อย่าสิเหมือนที่ยากตรงไหนเลยไม่เบื่อจริงเลยกลัวไม่อยากจริงเลยถ้าเบื่อจริงไปนานแล้วอยากกันไปนานแล้วนี่เบื่อแบบเบื่อเบื่ออยากๆเวลาเขาโหดร้ายเขาไม่ดีก็เบื่อเดี๋ยวพอเขาหวานหน่อยก็หายเบื่อคําถามจากคุณรุง้งท่าอาจารย์ครับ อยากจะฝึกลูกอายุห้าขวบนั่งสมาธิจะต้องสอนอย่างไรคะขอคําชี้แนะค่ะลูกสวดมนต์ก่อนนอนเป็นแล้วาพาสวดทุกวันก่อนนอนค่ะก็พานั่งสิบอกให้นั่งกับแม่แม่นั่งเฉยๆลูกก็นั่งเฉยๆตามแม่ไปทําอะไรลูกเขก็จะทําตามเราคําถามจากคุณพรพิมลขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูใส่บาตรให้แม่ทุกวันตอนแม่นอนติดเตียงที่โรงพยาบาล หนูใส่บาทแล้วมาบอกแม่แม่อนุโมทนาทุกครั้งแม่จะได้บุญไหมครับราบขอบพระคุณครับบุญจะได้ต้องเกิดจากคำสั่งแม่ต้องสั่งบอว่าช่วยไปทำใส่บาทให้หน่อยแล้วต้องเป็นเงินของแม่แม่ถึงจะได้บุญแต่ถ้าหนูใส่เป็นคำคิดของหนูเองแล้วก็เป็นเงินของหนูเองแล้วไปบอกแม่แม่ก็จะได้บุญอีกอย่างนึงคือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาซึ่งเป็นคนบุญคนละอย่างกับบุญที่ใส่าบาท บุญนามุธนาก็คือชื่นชมยินดีกับการทําบุญของลูกดีใจที่เห็นลูกได้ทําบุญอ่าอันนั้นต่างกันตัวแม่ไม่ได้บุญจากการใส่บาตรคาถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับพระอาจารย์ครับถ้าแฟนเราไปคบซ้อนคือแอบคบกับคนอื่นพอจับได้เขาได้พูดว่าถ้าเลิกกันเขาก็จะไปลองคบกับคนใหม่เราเลยเลิก ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์เขาส่งข้อความอยากกลับมาขอคืนดีแต่เราปฏิเสธไปเพราะว่าอยากเจ็บแต่จบครั้งเดียวไม่อยากคบแบบระแวงแต่เขายังคบกับแฟนใหม่อยู่แบบนี้ผมทำถูกต้องไหมครับมีวิธีคิดทำใจยังไงครับให้หลุดจากความทุกข์บ่วนี้ก็คิดว่าเขาเหมือนผลไม้เน่าแล่นะคุณยังอยากจะเก็บผลไม้เน่าไว้หรือเปล่าใช่หไหมเมื่อมัเน่าก็โยนทิ้งไป แต่ขออย่าไปหาผลไม้ใหม่มาแทนก็นแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันก็เน่าอีกถ้าแล้วได้ถ้าเข็ดแล้วก็อย่าไปมีใหม่มีใหม่เดี๋ยวก็เจอแบบเดิมอีกอ่ะหมดแล้วเลยเออเดี๋ยวรอคําถามใครอยากจะถามอะไรก็พิมพ์ส่งคําถามเข้ามาได้นะตอนนี้มีเวลาว่างเยอะแยะอีกกี่20นาที ทางนี้มีอยากจะถามอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็มาจากเมืองจีนนะตั้งใจจะมาศึกษาธรรมะอย่างเดียว่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้พูดภาษาจีนก็รดีเพื่อนคนไทยพูดภาษาจีนได้เข้าันเลยแปลให้มีเข้ามาไหมมีก็ถามต่อได้คำถามจากคุณรุ้งครับบอกให้ลูก พูดพูดโทแบบออกเสียงไปก่อนได้ไหมครับได้หัดสวดมนต์ไปก่อนมันเหมือนสวดมนตนะ์เนี่ยพูดโทพูดโทพุดโธไปอยากจะถามอะไรหรือเปล่าไม่ถามใช่ไหมโอเคค่ะอาจารย์คะถ้าวันนั้นที่คะอาจารย์บอกว่าถ้าไม่พูดพุดโทแล้วก็เป็น อ, อานามบตานาสติดูลมหายใจก็ได้ใช่ไมได้จีนี้ถ้าเกิดราแบบตื่นขึ้นมาคือเปิดตาปุ๊บแล้วก็ทาทุกอย่าง เหมือนมีสติแงหมา ย, มยถึงว่าเราดูกายหรือว่าก็คือเอาความรู้สึกมันที่ลมค่ะก่ดูที่เราทํางานมันยังง่ายกว่าถ้าดูลมมันมันจะทําให้เดี๋ยวเราทํางานจะจะคาดเคลื่อนจะเสียหายได้ถ้าไปดูลมเวลาไปทํางานแล้วเราแทนที่จะดูงานที่เราทําไปดูลมเดี๋ยวงานที่เราทํามันก็จะเสียเช่นกําลังเย็บผ้าอย่างเงี้ไปดูลมอย่างเงี้เดี๋ยวมันเข็มมันก็ทิ่มนิ้วเอาเลยงัต้องดูงานที่เราทําเป็นหลัก เราจะดูลมเฉพาะตอนที่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วตอนที่เรานั่งเฉยๆตอนนั้นเราถึงเรียนดูลมแต่ถ้าเราทําอะไรเราต้องดูงานที่เราทําด้วยไม่งั้นเดี๋ยวทําแล้วมันผิดพลาดได้เกิดความเสียหายได้เหมือ น, นอะไรคือเรียกว่าเดียร์บดสี่อ่าใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างนั้นเกิดเกิดความ<น>คิดก็ใช้พู้โทหนึ่งกลับมาช่วยสองเอาเชือกสองเส้นเลย เส้นแรกไม่อยู่ก็ เ, เส้นที่สองหนึงกลับมาให้มันดูงานแล้วมันยังแอบไปคิดอยู่ก็พุโทโธรหนึ่งมันกลับมาเอาทั้งทำทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องดูด้วยดูกาดูงานที่เรากําลังทําแล้วก็พุโทโธกํากับไปอีกทีหนึง่งมันก็จะไปไม่ได้มันเพราเราใช้เชือกสองเส้นมัดมันกันเชือกเส้นเดียวมันอาจจะ ม, มันยังดื่นได้อยู่ก็เลยเอาพุทโทร อ, อีก อ, อีกเส้นหนึ่งกํากับไปหรือถ้าตอนนั้น เราหยุดทำงานก่อนก็ได้ยืนเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธไปก่อนก็ได้จนกามันยุดขึ้นแต่ถ้าแต่ถ้ายังต้องทำก็ทำไปแล้วก็พุโทโธกากลับไปก็ได้ไดดใช้ยังอื่นก็ได้ก็ลองดูก็ได้แต่มันจะขัดกันแล้วถ้าดูหายใจกับดูงานมันดูสองอย่างมันมันมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ใช้ท่องอย่างอื่นถ้าไม่ชอบพุโทโธก็อาหลังสัมมาอะไรไปพุททางสนานังกระฉามิไป อันนี้จังทุกขังก็น่าตาไปก็ได้คำถามจากคุณวิภาเวลาไปทำบุญเอาของไปให้แม่จบแล้วนำไปใส่บาตรแม่ได้บุญไหมคะก็ อ, อยู่ที่ว่าของของใครของแม่แลอของเราแล้วแม่มีคมีความตั้งใจที่จะทำหรือเปล่า ถ้าไม่มีของไม่ใช่ของแม่แล้วแม่ก็ไม่ได้คิดจะทําเพียงแต่ว่าลูกให้มาจบ ก, ก็จกนี้แม่ก็จะได้ไข่อย่างมากก็อนุโมทนาคือยินดีไปกับการทําบุญอันนี้แต่แม่จะไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้เสียอะไรความรู้สึกจะเกิดตอนที่เราต้องเสียของที่เรารักไปเปลวลาเราเสียสละของที่เรารักด้วยความยินดีเราจะมีความสุขใจความสุขใจนี้คือบุญคําถามจากคุณกูล ทำยังไงถึงจะเห็นจิตของตัวเองได้คะก็ต้องนั่งสมาธิไงต้องหยุดความคิดความคิดมันบงังบังตัวจิตไว้ตัวจิตเหมือนจอทีวีความคิดเหมือนภาพบนจอทีวีเวลาเราเปิดทีวีขึ้นมาเราจะไม่เห็นจอใช่ไหมเราจะเห็นภาพบนจอถ้าเราอยากจะเห็นจอเราก็ต้องปิดทีวีพอปิดปั๊บไม่มีภาพเราก็จะเห็นจอเนี่ยความคิดเรามันบังตัวรู้ไว ตัวรู้มีอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีตัวถูกตัวความคิดบังไว้เราก็เลยหลงไปไปตามความคิดของเราคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่คิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เราเราเราเลยไม่รู้จักตัวจริงของเราว่าเราเป็นตัวรู้พอเราหยุดความคิดได้เราก็จะเหลือแต่ตัวรู้เราก็จะรู้ว่าอ๋อ น, นี่แหละคือตัวจริงของเราคือตัวรู้ไม่ใช่ตัวคิดไม่ใช่ว่าเราเป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชายอันนี้เป็นความคิดทั้งนั้น พอหยุดคิดป้ามันก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวคำถามจากคุณหลิงกราบเรียนถามพระอาจารย์อย่างที่เขาดูดวงแล้วตรงแล้วลูกชายถามว่าอย่างนี้ชีวิตนี้เขาขีดเส้นไว้แล้วหรือเปล่าคะมันไม่แน่หรอกการดูดวงนี่มันเป็นเหตุบังเอิญซะมากกว่าดวงที่แน่จริงๆก็ต้องดวงของที่พระเจ้าสอนนะเกิดมานี่แก่เจ็บตายแน่ๆเนี่ยอันนี้ขีดไว้ ขิดไว้ตายตัวแล้วชีวิตของมนุเราทุกคนนี่ถูกขิดไว้แล้วตายตัวแล้วของที่ตายตัวกับไม่ยอมดูกันไม่เชื่อกันเนี mm ่ย hmm. พระพุทธเจ้าบอกเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนอันนี้แหละของแท้ของจริงส่วนของที่เขาทำนายว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันอาจจะบังเอิญถูกกันก็เลยคิดว่าเป็นของจริงขึ้นมาแต่บางทีดูไปสิบคนอาจจะถูกคนเดียว เอก้าวคนไม่ถูกก็ได้คําถามจากคุณหมูพยายามพุดโธ ท, ทุกครั้งที่นึกได้แต่บ่อยๆที่จะรู้สึกเลยว่าอย่าไปดูหนังฟังเพลงทั้งๆที่รู้ว่ามันก็แค่นั้นแต่ยังอยากจะดูและยังอยากไปฟังกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะว่าสมควรทําอย่างไรก็อย่าไปทํำสิถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็ต้อง ต้องฝืนใจมันอยากจะไปทำก็ไม่ไปทำเหมือนอยากจะสู่กุฏิก็อย่าไปสู่มันถ้าฝืนมันได้ต่อไปความอยากจะไปมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปแล้วเราก็ใช้พุทโธช่วยขณะที่มันทรมานใจเราก็พุทโธพุทโธพุทโธให้มันพุทโธอย่างต่อเนื่องจนเราลืมเรื่องเรื่องความอยากจะไปดูไปฟังได้แล้วมันก็จะหายทรมานใจคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ อรหันกับนิพพานสัมพันธ์กันอย่างไรครับการเข้าสู่นิพพานในศาสนาอื่นมีแนวทางปฏิบัติเหมือนในพุทธศาสนาหรือไม่คําว่าอารหันก็คือผู้ที่ไปถึงนิพพานนิพพานก็คือผู้ที่ก็คือจิตที่ได้กําจัดความโลภโกรธหลงความอยากให้หมดไปจากใจแล้วอันนิพพานก็คือใจของพระอารหันที่ไม่มีความโลภโกรธหลงแล้วก็เป็นนิพพาน พอใจที่ไม่มีโรคกรดหนองเราก็เรียกว่านิพานคนที่มีใจแบบนี้เราก็เรียกว่าอาราหันต์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาราหันต์พระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระอาราหันต์นี่มสีสองชนิดพระอาราหันต์ตัสา ม, มาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ตัสสาวก พ, พระอรหันต์ตัสา ม, มาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองไม่มีใครสอนอศึกษาคนคว้าหาวิธีเป็นเอง ส่วนพระอารันตสาวกนี้เป็นผู้ที่ศึกษาสาวกแปลว่าผู้ฟังเป็นเป็นอรหันได้เพราะมีพระพุทธเจ้ามาสอนแต่เป็นพระอารหันเหมือนกันคือจิตบริสุทธิ์ไม่มีความโลภ ก, กฎหลงเหมือนกันจิตถึงนิพพานเป็นนิพพานเหมือนกันส่วนศาสนาอื่นจะสอนหรือไม่สอนนี่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาอย่างาใกล้ชิดอย่างละเอียดรอแต่เท่าที่ได้เห็นผ่านๆมาส่วนใหญ่เขาไม่ ก็ไม่ได้สอนแล้วเพราะถ้าสอนต้องสอนเรื่องอริยสัจสี่ 4, ต้องสอนมรรคแถึงจะไปถึ ง, ถงนิพพานได้ถ้ า, าศาสนาใดไม่ได้สอนมรรคแก็ไปไม่ได้เนี่ยมีคนเคยถามพระพุทธเจ้าตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตายเนี่ยมีคนนี้สงสัยว่ามีคําสอนเยอะแยะในโลกนี้สอนให้หลุดพ้นกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้หลุดพ้นจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนไหนก็ตามที่จะ ทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นได้นะัต้องมีมรรคแมีมรรคเป็นองแปดอยู่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตไปจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามี8องค์นี้แล้วปฏิบัติ8องค์นี้ได้ก็จะไปนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นศาสนาเราเท่านั้นพระพุทเจ้าบอกศาสนาคําสอนของใครก็ได้ถ้ามีมรรคแดอยู่ก็ถือว่าเป็นทางที่สู่การหลุดพ้นได้ คำถามจากคุณวิบูลน์ทำไมนั่งสมาธิตามดูความรู้สึกไปนานๆแล้วจิตจะหวันไหวต่อสิ่งที่มากระทบง่ายขึ้นครับก็เพราะไม่ได้นั่งนั่งเฉยๆนั่งไปดูไม่ให้ไม่ให้ตามจิตเนี่ยเวลานั่งนี่ให้หยุดไม่ให้ไม่ไม่ให้ไปตามจิตให้หยุดจิตให้ใช้พุทโธหยุดจิตให้ใช้การดูลมหยุดจิตถ้าตามไปดูจิตจิตมันก็ไม่นิ่งจิตมันก็หวันไหวสิมันเห็นอะไรมากระทบมันก็หวันไหว ถ้าจิตนิ่งแล้วอะไรมากระทบมันจะไม่หวั่นไหวอย่างนั่งอยี้ไม่ใช่แคว่านั่งสมาธินั่งให้ฟุง้งซ่านนั่งให้หวั่นไหววิธีนั่งที่ถูกต้องต้องนั่งแล้วต้องหยุดความคิดให้ได้ต้องมีต้องมีการทอดสมอเรือต้องมีการผูกมัดจิตต้องหยุดจิตการจะหยุดจิตก็ต้องให้มันอยู่กับพุโทโธหรืว อ, อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วเนี้ยมันก็จะหยุดได้คาถามจากคุณเบญจวรณ พราอาจารย์ครับการเดินมักได้นั้นจะต้องสอนตัวเองให้เป็นคนดีก่อนใช่ไหมครับและสุดท้ายข้อวัดเป็นผลทางในการดำเนินการเดินมักใช่ไหมครับการเป็นคนดีมันก็เป็นการปฏิบัติในตัวอยู่แล้วสามมาทิฏฐิก็สอนแล้วว่าให้ทำบุญอย่าไปทำบาปเพราะทำบุญแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขความทุกข์น้อยลงไปอย่าทาบาปเพราะทาบาปแล้วจะทาให้เราทุกข์ มันก็เป็นการมันเป็นมุขในตัวอยู่แล้วพระเจ้าสอนสามข้อใหญ่ๆให้ทำบุญให้เป็นคนดีทำแต่สิ่งที่ดีให้ละการกระทำสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทําบา ป, อ ย, าปอย่าไปเสพอบา ย, ยามุขแล้วก็มาชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็สามขั้นศีล ส, สมาธิให้ทําบุญละบาปชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คําถามจากคุณ k ค กราบเรียนถามพระอาจารย์บุญจากการปฏิบัติสมาธิต่างจากการเดินจงกรมไหมคะไม่ต่างกันก็เพราะเป็นบุญอันเดียวกันเดินจงกรมก็เพื่อให้มีสติเพื่อใช้จิตหยุดความคิดนั่งสมาธิก็เพื่อให้จิตหยุดความคิดมันจะต่างที่มันมากหรือน้อยต่างกันเดินจงกรมนี่จิตมันจะไม่นิ่งเหมือนกับเวลานั่งเวลานั่งนี้จิตมันจะนิ่งได้ร้อยเปเซ็นตเวลาเดินนี่มันยังต้องใช้ความคิดต้องใช้จิต สั่งให้ร่างกายเดินเคลื่อนไหวอยู่จิตมันก็เลยไม่นิ่งได้ร้อยเปซมันจะต่างกันตรงที่มันนิ่งมากนิ่งน้อยต่างกันแต่ตรงที่เรานั่งนานๆไม่ไหวเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเพื่อเปลี่ยนเอริยาบทแล้วเราก็ฝึกสติต่อไปให้มันหยุดคิดต่อไปเพื่อเวลาที่เรามานั่งครั้งต่อไปมันจะได้นิ่งได้ได้นานนิ่งได้ง่ายได้เร็วงั้นการเดินโยงกลมเป็นเหมือนกับการสนับสนุนเพื่อให้เรามานั่งได้นาน นั่ ง, งายคำถามจากคุณวิริทนรเมื่อก่อนมีเวลาปฏิบัตินั่งฟังเทศตอนนี้ไม่มีเวลาเลยจะดึงตัวเองกลับมาได้อย่างไรคะรู้สึกจิตใจไม่สงบค่ะก็ถามกูเกิลดูว่าเวลาของฉันหายไปไหน <c oughs> อ่เวลาเมื่อก่อนมีเดี๋ยวมันไม่มีก็ลองค้นหาดูสิเวลามันก็มีอยู่วันละยีิบสี่ชั่วโมงมันหายไปไหนถามตัวเองดูเอ เอาไปใช้อะไรบ้างก็ดึงไปทวงคืนมาสิถ้ามันเป็นดูหนังก็ดึงมันคืนมาถ้ามันไปเที่ยวก็ดึงมันคืนมาถ้ามันทํางานมากเกินไปก็ลดงานลงสิมันก็จะมีเวลาเองถ้าเราไม่ควบคุมเวลาเราก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องตามเรามันก็จะไม่มีเวลาดะงั้นเราต้องใช้ใช้การพิจารณาถามตัวเองว่าวันวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างอะไรจําเป็นต้องทําหรือไม่อ ต้าทำมากทำน้อยเพียงไรถึงจะพอเราทำงานเพื่ออะไรเราทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออย่าไม่ได้ทำงานเพื่อล่าให้รวยเราก็ต้องไปเลี้ยงคนนู้นคนนี้ให้เหนื่อยไปเปล่าๆคนอื่นเขาก็เลี้ยงตัวเขาเองได้นอกจากคนที่เรามีความรับผิดชอบเช่นพ่อแม่หรือ ล, ลูกถ้าเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขาไป แต่ถ้าเขาช่วยตัวเองเขาได้ก็ปล่อยเขาช่วยตัวเองเขาไปเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้คาถามจากคุณเคอารเบียนถามพระอาจารย์การโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจบางทีถูกเรียกว่าบาปสีขาวบาปบริสุทธิ์แท้จริงแล้วเรายังสามารถนับประโยชน์จากการทำบาปได้หรือไม่ครับ ถ, ถ้าคุณทำบาปแล้วคุณไปติดคุกแทนเราคุณจะไปวา เช่นเราเป็นคนฆ่าแล้วคุณไปเป็นคนบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าคุณจะ ย, ยินดีโกโหกให้กับเราเพระ่ายินดีไหมอ่าการนี้ก็เหมือนกันถ้าทําบาปแล้วไปต้องไปตกนรกคุณอยากจะไปอเปล่าอ่าั้ น, น, นคนที่เขาทำบาปแล้วไปตกนรกเขาไม่ไปหรอกยั้นอย่าไปทําบาปไม่ว่ากรณีใดทําแล้วมันมีผลตามมา นอกจากว่าคุณยินดีทีจะไปตกนรกแทนคนอื่นก็ไปได้แต่คุณก็ไปเปี่ยนไปทานเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็ต้องไปตกนรกอยู่ดีคนที่ฆ่าก็ต้องไปตกนรกคนที่โกโหกก็ต้องไปเหมือนกันคําถามจากคุณเก่งกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับทําไมบางคนตายแล้วฟื้นได้เกิดจากสาเหตุอะไรครับเพราะยังไม่ตายจริงไบางทีร่างกายมันมันหมดกําลังมัน แต่มันน า, นานหายใจทีเหมือนกําลังเข้าไปเขาเรียกอะไรจําศีลเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกไฮบอรนตใช่ไหมไฮบริตมันก็ไม่ต้องมันเหมือนกับไม่มีไม่มีชีพจรแต่ถ้าตั้งถ้าตั้งใจฟังจริงจริงบางทีทุกสิบนาทีมันอาจจะหัวใจอาจจะเต้นสักครั้งหนึ่งก็ได้เห็นก็แสดงว่ามันยังไม่ตายจริงถ้าตายแล้วฟื้นก็แสดงเราไม่ควรจะเรียกว่าเ้าตายควรจะเรียกว่าร่างกายเขาหยุดทํางานชั่วคราวดีกว่าแต่ยังไม่ตาย คำถามจากคุณแมวในการแสดงท่าเรียนแบบพระไปในทางตลกทางไม่ดีของพระในข่าวเล่นแล้วผู้ชมหามแต่พี่สาวบอกไม่ดีเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเสื่อมศรัทธาพระสงฆ์ลงเสื่อมไม่เสื่อมนั้นเราไม่รู้หรอกแต่มันก็ไม่สมควรที่เราจะไปเอาสิ่งที่สูงมามามาดึงดึงสิ่งที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำเพราะว่าพระจริงๆนี่ท่านเป็นพระที่มี คุณค่ามีคุณประโยชน์มีมีความดีงามมากกับพวกเราพวกเรามันพวกสโครกพวกเละเทะทั้งหลายแล้วไปดึงเอาบุคคลที่สะอาดมามามามาอะไรมาคุกคีกับเราเนี่ยมาอยู่ในระดับเราเนี้มันไม่เหมาะสมแล้วเรื่องเสื่มศรัทธามันไม่เสื่อมหรอกที่จะเสื่มก็เสื่มที่การประพฤติไม่ดีของพระมากกว่า ถ้าพระเพริ่ดไม่ดีมันจะเสื่อมตรงนั้นแต่คนที่เอาพระมาเล่นละคอยมาเล่นทําตัวเหมือนเป็นเล่งนี่มันไม่เสื่อมหรอกมันจะเสื่อมตรงที่คนเขาดูคนเล่นนั่นแหละเขาจะเสื่อมศรัทธาในคนเล่นแต่ละตลกคนนั้นอาจจะไม่มีใครอยากจะดูอีกต่อไปก็ได้เพราะไม่รู้จักที่สูงที่ต่คำคําถามจากคุณจอยกราบน้มัสการพระอาจารย์ถ้าอยากให้สามีชาวสวิส ได้มารู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะเริ่มต้นให้เขาได้รู้จักธรรมะข้อไหนดีตอนนี้เขาไม่เปิดใจไม่นับถือศาสนาใดเลยค่ะแต่เวลาไปทําบุญที่วัดบางครั้งเขาก็จะตามไปทําด้วยกันค่ะอะก็เอาเท่านั้นก่อนนะเขาทำได้เท่าไหร่ก็เเท่านั้นก่อนเขาตามไปที่วัดได้ก็ดีถ้ามีหนังสือธรรมะก็เป็นภาษาอังกฤษก็ เอาไว้ที่บ้านเผื่อเขาอยู่เขาว่างๆเขาไม่รู้จะทาอะไรก็อาจจะเปิดดูก็ได้แต่เขาไม่เปิดดูก็ช่วยไม่ได้ความอยากของเรานี่ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกต้องให้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างเรามีญาติคนหนึ่งเนี่ยเราก็มีหนังสือเราก็ส่งไปเขาอยู่เรื่อยก็บอกเขาเก็บหนังสือเราก็มันเกือบ20ปีไม่เคยดูเลยแล้ววันดีคืนดีมีเหตุการณ์ชีวิตเขาผันแปรตกทุกข์มาก ตกงานตกการไม่สบายอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเห็นหนังสือธรรมะก็เลยลองมาเปิดอ่านดูอ่านแล้วก็ได้รับประโยชน์ทำให้จิตใจเขาหายทุกข์หายเครียดเขาก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าของธรรมะขึ้นมาเองอยังมันต้องรอเวลาที่ไม่มีอะไรไปจุดประกายในชีวิตของเขาทาให้เขาต้องไปหาอะไรเป็นที่พึ่งสักอย่างหนึ่งอันนั้นลแล้วเขาก็อาจจะไปไปอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ แล้ถ้าอ่านแล้วถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะได้รับประโยชน์ทันทีคำถามจากคุณอภรชนิศ ก, กราบน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมได้ไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนคนหนึ่งพูดถึงเรื่องบาปบุญและความเป็นอนัตตาดีนี้มีพุทธพจน์เกรยเรยการเกิดของมนุษย์ว่ายากมากที่มาเกิดเป็นคนกับคำสอนเรื่องมรณาจิตและจุดติดจิตจิตจะจดจาในสัญญาขันทาให้เมื่อเปลี่ยนภพชาต คนคนนั้นเลยมีแนวโน้มฆ่าตัวตายอีกเพราะสัญญาเดิมบาปบุญไม่ใช่พุทธศาสนาย้ำอีกครั้งพุทธทสอนเรื่องจิตและการพ้นทุกข์ตามอริยสัจไตรตลักษสามคืออนิจจทุกขงังอนัตตาทุกอย่างไม่มีตัวตนบาปบุญจะมีได้อย่างไรเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นสรุปว่าพุทธทไม่ไดสอนเรื่องบุญบาปหรือคะพระอาจารย์เมตตาแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะก็เขาไม่ได้ศึกษาอย่างอย่างทองแทง เราถ้าศึกษาอย่างตรงแท้นี่แล้วเขาจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนสามอย่างด้วยกันหนึ่งให้ละการกระทํำบาปทั้งปวงสองให้ทําบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปซาวเขาไปอ่านที่ไหนถ้าอ่านคำพีจากพระไตรปิฎกนี่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้านีนอันนี้จะเป็นคําสอนที่ทุกๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะมาสอนเหมือนกันหมดคือให้ละการกระทํำบาปทั้งปวง ให้ทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์งนั้นเราก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงถ้าก็อยากจว่าอย่างนั้นก็ปล่อยเขาว่าไปไม่รู้ว่าเขาไปอ่านมาจากที่ไหนทำไมไม่อ่านจากพระไตรปิฎกอะพระไตรปิฎกนี่เป็นเป็นคำสอนของพระธเจ้าที่ได้มีการจดจารลึกไว้คําถามจากคุณนิตยาเวลาไปภาวนาในสถานที่สัปะยะ แล้วเราเกิดความกลัวความมืดและต้องอยู่คนเดียวให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเวลานอนก็พุโทโธไปจนหลับแบบนี้ถูกต้องไหมคะบางกุฏิคนที่เคยไปพักก็บอกว่ามีอะไรแปลกๆทำให้จิตเราฟุง้งปรุงแต่งไปตามคำบอกเล่าทำให้เกิดความกลัวเวลาต้องไปพักเวลาปฏิบัติธรรมนั่นแหละพอกลัวก็รีบพุทธโอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องไร้าสาระทั้งนั้นน่ มันเป็นเรื่องของอุปทานความรู้สึกของแต่ละคนได้ยินเสียงอะไรหนๆก็ว่าเป็นเสียงผีเสียงอะไรขึ้นมายันถ้าเราเกอดความกลัวก็ให้หยุดความกลัวนั้นด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธไปสักพักเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เรากลัวแล้วเราก็จะหายกลัวคําถามจากคุณนันทยาเอาสุดท้ายหนะ้านี่คําถามสุดท้ายแนละ้วหนูไม่เคยนั่งสมาธิเลยค่ะแต่หนูอยากลองนั่ง จะเริ่มยังไงดีครับก็นั่งเลยเสร็จนะตอนนี้นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปเลยแล้วนั่งดูลมหายใจเลยจะนั่งในท่าแบบไหนก็ได้ถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้นั่งแล้วก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือให้ท่องพุทโธไปก็ได้เนี่ยลองนั่งเหนี่ยวนี้เลยดูนั่งได้นานเท่าไหร่ก็นั่งไปนี่ใครนี้อ่ง่ายจะตายไปไม่เห็นยากเย็นเลยที่มันไม่นั่งเพราะมันไม่เคยนั่งมันไม่ถนัดมันเลยไม่อยากจะนั่ง ตอนนี้เหมือนกับเราตอนนี้เราศึกษาเนี่ยเราก็ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะนั่งสักทีเนี่ยมันต้องนานแล้วไม่เคยนั่งเลยเอาันเลยตอนนี้เลยอยากจะนั่งง่ายจะตายไปนั่งตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกให้ดูว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกแค่นี้เรืกจะใช้พุโทโธก็ได้ไม่ต้องใช้ลมก็ได้ก็พุโทโธไปพุโทโธไปพุโทโธจะเร็วก็ได้จะช้าก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราทาเดี๋ยวนี้เลยนะ มันไม่ยากยินตรงไหนหรอกพอเราเริ่มทำแล้วต่อไปมันก็จะทำไปได้เรื่อยๆเองเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแ ก, กร่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ